อะจารย์สอนทุกๆท่านวันนี้ของพ่อเพชรที่อเมริกาเนี่ยวันสุดท้ายแล้วมาสาอาทิตย์แล้วสมอาทิตย์ห้ารักเทชรมหาอาที่ห้าทีนี้คนไทยเราที่หลวงพ่อเห็นนะที่สนใจมาฟังทรรมแต่ละแห่งแต่ละแห่ง จำนวนมากก็ไม่เคยเจอหลวงพ่อมา ก, ก่อนอาศัยฟังซีดีอ่านหนังสือแล้วภาวนาเป็นก็เยอะนะการภาวนามันไม่ใช่การทำอะไรที่ยุ่งยากวุ่นวายผิดปกติผิดธรรมดามากนะครับการปฏิบัติทําจริงๆการภาวนาจริงๆคือการเรียนรู้ตัวเราเอง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 สิ่งที่ไม่ใช่เราเนี่ยเป็นแค่รูปกระรมานมามธรําทั้งหลายที่มันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกรุนล้วนเลยเราจะภาวนาจนวันหนึ่งเราเห็นควกจริงนะว่ากายนี้เป็นตัวทุกรุนล้ว น, วนจิตนี้เป็นตัวทุกรุนล้ว น, วนถ้าภาวนาได้อย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดอาการของจิตที่อัศจรรย์มากเลยคือมันจะสลัดคื น, คนกายคืนใจให้โลกไป เราจะเข้าถึงอิสรภาพทางจิตใจที่แท้จริงเลยจิตใจใที่เข้าถึงสภาวะอันนะี้ไม่มีจุดไม่มีที่ตั้งไม่มีขอบเขตนะไม่มีการไปไม่มีการมากวา้วางขว้างเป็นโลกเป็นจักรวาลเป็นภาวะที่อิสระอย่างแท้จริงภาวะอย่างนี้นยะเป็นอบรมส์มรสุมกับสุขที่ไม่มีอะไรเหมือน ไม่มีความแ ป, ปรปลวนใดๆอีกเป็นความสุขที่คงที่ไม่แ ป, ปรปลวนสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีอยู่ในคาสอนของพระพุทธเจ้าในขณะที่ความสุขอย่างโลกๆที่คนในโลกไหว้คว้ากันเป็นความสุขที่แ ป, ปรปลวนตลอดเวลามีความสุขอย่างพวกเราเราเที่ยวหาความสุขมาตั้งแต่เกิดน ะ, สะแสวงหนาะความสุขมาได้ๆ ความสุขเนี่ยเป็นของแปลกเหมือนเหมือนจะได้มานะแต่ก็หลุดมือไปทุกทีเหมือนจะได้แล้วก็หายไปเหมือนจะได้แล้วก็หายไปความสุขอย่างรอบๆเนี่ปความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นอิงอาศัยคนอื่นเช่นเราต้องตอนเด็กๆ เ, เราต้องอยู่กับพ่อกับแม่ถึงจะมีความสุขเป็นวัยรุ่นแล้วมีเพื่อนถึงจมีความสุขต่อมามีครอบครัวมีความสุข เง น, นอิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัย ส, สิ่งอื่นหรืออยากมีชื่อเสียงชื่อเสียงเนี่ยเร า, ามีชื่อเสียงเองไม่ได้คนอื่นเขาให้ชื่อเสียงต้องอาศัยเขาองหรือมีความสุขเพราะมีรูปที่พอใจเพรามีเสียงได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสที่พอใจความสุขของเรายิงอาศัยของข้างนอก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 เรารักใครเราก็เสียอิสรภาพของคนคนนั้นนะต้องเอาใจเขาต้องอะไรเขาพระเจ้าตรัสสอนน่ที่ใดมีรักที่นั่นมีตุกรือที่ใดเราไปผูกพันรักใครผูกพันกับสิ่งใดเราเอาชีวิตของเราไปฝากไปกับสิ่งนั้นกับคนนั้นเราต้องคอยระวังกลัวจะสูดเสียเขาไปกลัวจะสูดเสียสิ่งนั้นไปชีวิตเราหาความสุขที่แท้ จ, จริงไม่ได้ พระพุทธเจ้าเกิดมาเป็นสัตว์มีสมบัติในโลกเยอะมีอะไรต่ออะไรสวยสวยงามเยอะท่านก็เห็นว่ามันหาสาระแกล้สารไม่ได้ความสุขที่ อ, อาศัยคนอื่นีิงอาศัยสิ่งอื่นคนที่ท่านรักถึงวันหนึ่งก็ต้องตายไปในท่านรู้แล้วว่าพ่อท่านต้องแก่ต้องตายตัวท่านเองก็ไปไม่รอดถือวันหนึ่งก็ต้องแก่ต้องตายท่านหนึ่งรังกความสุข หลอมหลอมมันนั้นนะมาแสดงความสุขันยิงความสุขันยิ่งจริงๆเนอะพอพ้นค้นพบนะก็คือพระนิพพานนั่นเองนิพพานมีจริงๆนิพพานไม่ใช่โลกอุดมคติไม่ใช่อยู่โตเปียนะไม่ใช่อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งไม่มีจริงนต่ตั้งขึ้นมาเพื่อหลอกให้เราทําความดีนิพพานเป็นสภาวะซึ่งมีอยู่จริงๆมีอยู่ต่อหน้าต่อตาไม่เคยหายไปไหนเลย จิตของเราเองเลยไม่มีคุณภาพพอที่จะสัมผัสพระนิพพานนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นปัญหาสิ้นความอยากเรียกว่าวิราคะใจของเรามีความอยากอยู่ตลอดเวลาอยากเห็นรูปอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายอยากคิดนึกที่สนุกสนานทางใจเพลิดเพลินทางใจในใจเรามีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลา ปัจจัยมีความอยากนั้นจะไปเห็นสภาวะที่พ้นจากความอยากไม่ได้ก็ไม่เห็นปณิพานนิพานเป็นสภาวะที่สิ้นความปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารใช่ของเราปรุงแต่งตลอดเวลาเดี๋ยวก็ปรุงชั่วเดี๋ยวก็ปรุงดีใชบางคนเนี่ยรู้สึกชั่วก็ไม่เอาดีก็ไม่เอาเลยปรุงความว่างๆไปปรุงความว่างขึ้นมาจะปรุงชั่วนะที่เรียกว่าอาปุญ ญ, ญาทีสังขารปรุงดีที่เรียกว่าปูมงปุญญาที่สังขาร ความว่างความไม่มีอะไรในื่องานเนชาที่สำคัญรากเน่าของมันล้านเกี่ยวกันคืออวิชชานะั้ไม่รู้ความไม่รู้จริงไม่เห็นแจ้งอนินยสัตว์ความปรุงแต่งเกิดขึ้นเมื่อไรนะ่ะก็ไม่เห็นนิพพานซึ่งเป็นสภาวะที่พ้นจากความปรุงแต่นิพพานเป็นไปมนะุตนดหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มจิตของเรามีอาสวะที่ห่อหุ้มอยู่ตลอดเวลาระดันได ที่อริมรรคเกิดทำลายอาสาวะออไปถ้าจิตเป็นอิสระนะไม่มีเปลือพกพุ่งนะจิตเป็นอิสระออไปเรียกว่าพิบนะุตินั้นจิตของเราเองเลยที่ทําให้เราไม่เห็นพระนิพพานเราก็ต้องมาพัฒนาจิตใจของเราให้มีคุณภาพนะพัฒนาอย่างไงให้สิ้นตัณหาให้สิ้นความอยากสิ้นตัณหาได้นะมันก็จะสิ้นความปลุกแต่งได้นะคือเมื่อไหร่ มีวิราคะจากสิ้นปัญหาแล้ก็จะเกิดพิสังขารเมฆูุงใจถ้าเกิดพิบุหลุบพ้นออกไปการที่จะมาฝึกจิตสุกใจให้พ้นจากความอยากเนี่ยไม่ใช่พูดเอาเล่นๆมีวิธีการปฏิบัติที่ต้องลงมือทําการลงมือปฏิบัติไม่ใช่ทําอย่างอื่นเลยการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจตัวเอง เระพุทธเจ้าสอนธรรมะที่สําคัญที่สุดชื่ออริยสัจท่านบอกว่าอริยสัจเป็นธรรมสาคัญนะเพราะไม่รู้แจ้งอริยสัจเนี่ยเราจะต้องเวียนว่ายไปเกิดไม่เห็นอนิพพานหรอกอริยสัจข้อแรกคือทุกข์พวกเรายังไม่เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์หรือว่าเราไม่รู้ทุกข์เมื่อเราไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์นะมันก็เกิดสมุทัยคนะือเกิดความอยากอย่างาเราไม่รู้ความจริงว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์ เราก็อยากจะให้ร่งางกายนี่เป็นสุขถาวรอยากให้มันสวยมันงามถาวรมันหนุ่มมันสาวถาวรอยากให้มันแข็งแรงถาวรอยากให้มันเป็นอมตะไม่รู้จักตา ย, ยความอยากนี่เกิดจากความไร้เพียงสาที่เราไม่รู้ความจริงว่ากายนี้เป็นตัวทุกขนะ์ถ้าวันใดที่สติปัญญาเราแก่กล้านะเห็นว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆไม่ใช่เหาุที่พวกเราเห็น เมืเราเห็นอะไรเราเห็นว่าร่างกายเนี้เป็นทุกข์บางเป็นสุขบางรู้สึกไหมร่างกายนี้เป็นทุกข์บางเป็นสุขบางเมื่อเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บางเป็นสุขบางแล้วความดิ้นรนของจิตก็จะเกิดขึ้นดิ้นรนยังไนดิ้นรนจะให้ร่างกายมีความสุขดิ้นรนจะให้ร่างกายไม่ทุกข์เมื่อเกิดความดิ้นของจิตขึ้นมาความทุกข์ทางใจก็จะเกิดขึ้นไม่เห็นพระนิพพานนะนิพพานเป็นสันติหรว่าความสงบสุข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 สุดสุดท้ายเลยสุดที่ลึกที่สุดเลยก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้สจพ้นทุกข์ถ้าปัญญาแก่รอบนะเห็นว่ากายนี่เป็นทุกข์ล้นล้นความอยากให้กายเป็นสุขไม่มีความอยากให้กายพ้นทุกข์ไม่มีความอยากไม่มีถ้าวันใดเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์ล้นล้นซึ่งพวกเรายังไม่เห็นเราเห็นว่าจิตของเราเนี่ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างรู้สึกไหมจิตใจเราเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมันมีทางเลือกเนี่ย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 แน่ใจเลยไม่มีความสุขสถกทหิวตลอดเวลาเลยนะนั้นมันเอานาเรื่อยๆไปนะมันดึงเห็นว่าตัวจิตเป็นทุกข์ล้วนๆตัวที่เห็นตัวจิตเป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยความอยากให้จิตเป็นสุขจะไม่เกิดขึ้นความอยากให้จิตพ้นทุกข์จะไม่เกิดขึ้นนั่นมันจะไม่ยึดถือจิตตัวที่ไม่ยึดถือจิตนี่เป็นธรรมการปฏิบัติในท่านสูงสุดนะที่หลวงพ่อเราเรียนมาจัดครูบาอาจารย์ทุกทุกองคนะ์ลงไทยเข้ามาลงตรงนี้หมดเลย อย่างวัดนี่วัดของหลวงปู่สุวรฒน์หลวงปู่สุวัรนเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์องค์สุดท้ายที่หลวงพ่อเรียนด้วยหลังจากนั้นไม่ได้เรียนจากองค์ไหนอีกแล้วหลวงปู่สุวัรน์กสอนเรื่องการปล่อยวางจิตไม่ให้หยึดถือจิตลงมาที่นี่เองหลวงปู่ดูลย์ก็เคยสั่งหลวงพ่อไว้ตั้งแต่ปี25งพยยีสิบั่งว่าการปฏิบัติในขั้นสุดท้ายนะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้ พบจิตให้ทำลายจิต ท, ทำลายนี่ก็คือไม่ยึดถือเลยทำไงใครจะไม่ยึดถือจิตใจครูบาอาจารย์ราาทุกองศ์สอนเขาจะมาลงที่เดียวกันหมดเองลงมาที่จิตนี้ทั้งหมดเลยแล้วแตกหักกันที่จิตนี่เองงั้นการปฏิบัตินะถ้าปฏิบัติแล้วเราตัดตรงเข้ามาสู่จิตสู่ใจไดนะ้การปฏิบัติจะลัดสั้นแต่บางคนเข้ามาไม่ถึงจิตใจ ถ้าเข้ามาไม่เตือนจิตใจให้ไปดู ก, กายก่อนกายเป็นบ้านจิตเป็นเจ้าของบ้านยังหาเจ้าของบ้านไม่เจอกกต้อนหน้าบ้านไปก่อนเดี๋ยววันนึ้งก็เห็นเจ้าของบ้านในการปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องการเรียนรู้ความจริงของกายของใจต้องเรียนรู้ทั้งกายทั้งใจไม่ใช่เรียนรู้สายใดสายหนึ่งพวกเรานักปฏิบัติสมัยก่อนนะชอบทะเลาะกันว่าสายไหนดีกว่าสายไหนนี่เป็นความโง่เขลาอย่างยิ่งเลย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 ฝึกให้เกิดสติเมอเกิดสติแล้วตอนที่สติมาทํางานจริงเนี่ยบางครั้งสติะระลึกรู้ไปบางครั้งสติะระลึกรู้ความสุขความทุกข์เรื่องเบญนาบางครั้งสติะระลึกรู้กุศลอกุศลที่เกิดขึ้นกับจิตนะไม่ว่าจิตตาหรปัจจณาบางครั้งสติไปะระลึกรู้กระบวนการทํางานนะของจิตใจทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วไม่ว่าธรรมามุปัิสนาสติะระลึกเอง เราไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะดูกายล้วนๆหรือเราดูจิตล้วนๆเบือ้องต้นอาจจะดูกายก่อนนะแต่พอสติตัวจริงเกิดแล้วเลือกไม่ได้แล้วว่าจะดูอะไรนะั้นอย่างถ้าผู้ระสายนั้นดีสายนี้ดีนะยังไม่เข้าใจการปฏิบัติหรอกอยังเข้าใจที่ผิวเผินมากเลยไม่มีสายหรอกการปฏิบัติถ้าเราสามารถฝึกสติที่ถูกต้องฝึกสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาได้แล้วนะ บางคนนะสติก็ะระลึกรู้กายสักพักหนึ่งได้ระลึกรู้เวทนาไปะระลึกรู้จิตไปเห็นกระบวนการทํางานของจิตใจทั้งดีและชั่วเป็นธรรมานุปัสสนาเลือกไม่ได้สตินั้นเป็นของสั่งไม่ได้ว่าเป็นอ น, น, นันต์ปาดังคำว่าสายโน้นสายนี้นะพูดกันไปเองนะสำหรับคนที่ภาวนาไม่เป็น ถ้าภานาเปลนสติตัวจริงเกิดสมาธิตัวจริงเกิดไม่มีสายอีกต่อไปแล้วในระสติแลในระลึกรู้กายจิตตั้งมั่นมีสมาธิจิตจะตั้งมั่นเป็นคนดูมันก็จะเห็นอะไรไม่ใช่เห็นกายแต่ไม่ใช่เห็นไตรลักษณ์ที่แสดงอยู่ในกายเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วสติไประลึกรู้เวท น, นาคือความสุขทุกข์ในกายในใจมันจะไม่ได้เห็นเวท น, นาคือความสุขทุกข์นะ มันจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของเวทนานะถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตูสติตระลึกรู้เห็นกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นในจิตมันไม่ได้ไปเห็นกุศลอกุศลแค่นั้นมันเห็นความเป็นไตร ล, ลักษณ์ของกุศลอกุศลเพราะเวลาที่ภาวนาเป็นเลยนะจิตตั้งมั่นขึ้นมาโดยไม่ได้เจตนาแนละ้วสติตระลึกรู้ มันเลือกไม่ได้หรือว่าจะระลึกอะไรเดี๋ยวเขาระลึกรู้กาย<ม>เดี๋ยวเขาระลึกรู้เวทนาเดี๋ยวระลึกรู้จิต<ม>เดี๋ยวระลึกรู้ธรรมนะหมนไปเรื่อยเลยสั่งไม่ได้แต่ไม่ว่าจะระลึกรู้กายหรือเวทนาหรือระลึกรู้จิตหรือระลึกรู้ธรรมสิ่งที่เห็นนั้นเป็นอันเดียวกันคือเห็นไตรลักษณ์เนี่ยความลึกซึ้งของธรรมะอยู่ตรงนี้นะนั่นพวกเราอเองไม่ทะเลาะกันนะทะเลาะกันว่าสายนั้นดีสายนี้ดีเรื่องของคนพลนาไม่เป็น เบื้องต้นหรอกที่ว่าจะเอาอะไรเป็นฐานไว้ก่อนนะเบื้องต้นหักให้มีสติในขั้นของการหันให้มีสติเนี่ยพวกเราต้องมาสารวจตัวเองนะว่าเราอยู่กับกรรมาฐานอะไรแล้วสติเกิดบ่อยเราก็เลือกที่จะอยู่กับกรรมาฐานอนันต์เป็นหลักเอาไว้เรียกว่าวมีวิหารธรรมอยู่กันสิ่ง น, นั้น เช่นถ้าเราหัดรู้ลมหายใจเราหายใจออกเรารู้สึกตัวได้ง่ายเราหายใจเข้าเรารู้สึกตัวได้ง่ายเราใช้ลมหายใจเป็นฐานเร่องวระสายกายหรือเรารู้อิทิยาบทสยืนเดินนั่งนอนแล้วสติเกิดบ่อยเราก็ค่อยรู้อิทิยาบทสี่ไปเพื่ออะไรเพื่อให้สติเกิดบ่อยนี่จุดที่ว่าสายนน้นสายนีนะ้มันเป็นแค่จุดตั้งต้นเพื่อให้เกิดสติเท่านั้นเอง ส่วนในขั้นเจริญปัญญาไม่มีสายแล้วนะไม่มีสายต่อไปแล้วนะข้อสตินะอัตโนมัติไปหมดแล้วีกิเราลลกรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ทำไปงั้นในสติปัฏฐานสี่นะที่ท่านกำหนดไว้ให้พวกเราฝึกสายกายก็มีเช่นลมหายใจอิริยาบถสอิริยาบถย่อยอิริยาบถย่อยนนไม่ใช่แค่ยืนเดินนั่งนอนเนีน่ยหันซ้ายหันขวาก้าวไปถอยหลังกู้เหยียดเลยรู้สึก ก้ใบ ร, รู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกนัง้งกายในหะยุดที่ว่าอะไรที่เราไปรู้แล้วสติเกิดบ่อยเราเอาอันนั้นนะไม่มีการทับถมกันนะว่าสายนั้นดีกว่าสายนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างหลวงพ่อนะเริ่มต้นด้วยการรู้ลมหายใจแต่รู้ลมหายใจ ที่หลวงพ่อทำมาแต่เด็กเนี่ยทำไปเพื่อให้จิตตั้งมั่นมีสมาธิรู้เราหายใจเราก็จิตเคลื่อนไปรู้ทางจิตเคลื่อนรู้ทานที่จิตจะตั้งมั่นได้สมาธินะในขั้นของการฝึกให้เกิดสติเนี่ยหลวงพ่อใช้จิตหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตนั่งก็เห็นเลยจิตมีความสุขเราก็รู้จิตมีความทุกข์เราก็รู้นะจิตดีจิตร้ายเราก็รู้คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตเรื่อยๆต่อไปทอนจิตมันเคลื่อนไปเปลี่ยนแปลงนิดเดียวนะ ขยับตัวคลิกเดียนะสติเกิดเลยโดยไม่ได้เจตนาจะรู้มันรู้โดยไม่ไเจตนาเนี่ยถ้าคนไหนเคลื่อนไหวร่างกายนะอย่างหลวงพ่อเคยฝึกลองไปดูหนะลวงพ่อเรียนท่านขยับมือก็เข้าไปหาท่านเหมือนกันเห็นท่านขยับมือแล้วเออท่านรู้สึกตัวนะเราก็ไปนั่งเด่บางนั่งเล่นโต้องสิกปอดจังว่าทำแร้วลาคาญนะหลวงพ่อเหลือนิดเดียวแค่เนี้ย แค่เคลื่อนไหวเราก็รู้สึกเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกมันคือแกนคําสอนของตัาน์นั่นแหละเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกมีวันหนึ่งนะเล่นอย่างเงี้ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งหรอหัดเล่นเล่นเห็นเพื่อนเดินอยู่คนละฝั่งถนนนะ่ะเพื่อนคนนี้ไม่โจนา น, นล้วดีใจก้าวขาไปเพื่อจะไปทักทายมนะันเวลาฝึกเนี่ยฝึกมือเคลื่อนไหวเรากรู้สึกนะแล้วตอนไปเจอเพื่อนเนี่ยขาดสติไม่มีสติไม่รู้กายไม่รู้ใจก้าวเท้าไป ก้าเท้าพอเท้าเคลื่อนปั๊นะร่างกายเคลื่อนไปสติระลึกลงได้เลยรู้สึกกายรู้สึกใจขึ้นมารู้ตัวขึ้นมาเนีน assim, ่ยอะไรก็ได้นะอะไรก็ได้แล้วแต่เราถนัดถ้าเราถนัดรู้ลมหายใจแล้วสติเกิดบ่อยเรารู้ลมหายใจเราดูท้องพองยุบแล้วสติเกิดบ่อยเราดูท้องพองยุบนะหรือว่าถ้ารู้ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจหความสุขเกิดเราคอยรู้ความทุกข์เกิดเราคอยรู้ ความเฉ ย, เ, ฉยเกิดขึ้นในใจเราคอรู้หรือความสุขความทุกข์ทางร่างกายเกิดขึ้นเราคอรู้เ mm hmm. นี่ยเบื้องตอนอ้นหัดรู้อะไรสักอย่างหนึ่งก่อนะที่ว่ารู้แล้วสติเกิดบ่อยรู้ว่านั้นบ่อยๆฝึกนะอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะสติอัตโนมัติมันจะเกิดนะถ้าสติยังต้องจงใจให้เกิดจนะเป็นสติที่อ่อนแอมากนะในเที่ทำเขาเรียกว่าเป็นกุศลจริงนะแต่เป็นกุศลชนิดที่เรียกว่าสังขาริกัง ต้องเราให้เกิดต้องชวนให้เกิดมีกําลังอ่อดแล้วต้องฝึกสติเจญอัตโนมัติเกิดโดยไม่ได้เจตนาให้เกิดเรียกว่าอาสังถาริกะที่จะเป็นปุสนที่มีกําลังกล้าสมาธิก็เหมือนกันถ้าสมาธิที่ยังต้องคอยรักษาประครับประคองจิตใจให้สงบให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิที่ยังอ่อนแออยู่แต่ถ้าจิตเคลื่อนปับ๊บสติะระลึกปับ๊บนะจิตตั้งมั่นปับ๊บอัตโนมัติเป็นสมาธิที่มีความเข้มแข็ง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 รู้ไหมสติเป็นไงไม่รู้รู้แต่ว่าให้มีสติแต่สติเป็นไงไม่รู้สติคือสภาวะที่รู้ทันนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจเช่นร่างกายพยักหน้าแล้วเรารู้สึกถึงร่างกายที่เคลือ่อนอยู่เรี่ว่ามีสติอยู่ในใกายนะความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในใจแล้วเรารู้ทันว่ามีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในใจเร้วมีสติรู้เหนนนะ็นะกุศลอกุศลเกิดขึ้นในจิตใจเราเรารู้ทันนะเรีมีสติรู้จิตนะ เนการที่จะมีสติสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจอะไรทำให้สติเกิดการที่จิตเห็นสภาวะซ้าแ ล, วแลว้วซ้าเล่าดังจิตจำสภาวะได้แม่นจะทำให้สติเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ได้เจตนาจะรู้สึกแต่จะรู้สึกเองเพราะอะไรเพราเคยหักรู้สึกบ่อยๆก็คแค่นั้นเองแล้พวกเราเบื้องต้นนะทากรรมฐานสักอย่างหนึง่ง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 ต้องลอยไปไหนนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกแล้วไปดูของว่าของเราถนัดอะไรแต่ละคนถนัดอะไรอย่างหลวงพ่อถนัดลมหายใจตั้งแต่เด็กนะหายใจหายใจนะก็จิตเคลื่อน ร, รู้อะไรอย่างเงี้ยนี่จะได้สมัครที่นะตอนมาเจริญปัญญาเนี่ยจะมาฝึกให้มีสติเม่เจริญปัญญาเนี่ยหลวงพ่อเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจ จิตใจเป็นสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจดีก็รู้จิตใจชั่วก็รู้รู้ความเปลี่ยนของมันนะในเห็นสติเป็นตัวรู้ทันว่าความเปลี่ยนแปลงในกาในใจมันมีขึ้นมาคอยรู้ไปเรืจนกระทั่งมันัตโนมัติถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตขยับตัวเล็กนึงนะสติเกิดเองเลยไม่ได้เจตนาจะเห็นจิตไม่ขยับตัวเห็นเองเลยแล้วพอจุดที่เราฝึกจนสติอัตโนมัติแล้วเนี่ยมันจะถึงจุดที่เราจะเข้าใจความจริงอย่างที่ว่า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 ไม่ใช่ว่าฉันจะต้องรู้แต่ลมหายใจไม่รู้อย่างอื่นเลย น, นั้นไม่ใช่ไม่ใช่นะค่อยฝึกนะสติคือสภาวะที่ที่มันรู้ทันนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจมันจะรู้ทันได้ก็ต้องคอยเห็นมันบ่อยๆเห็นความเคลื่อนไหวในกายบ่อยๆเห็นความเคลื่อนไหวใ น, ในใจบ่อยๆเห็นบ่อยๆจนกระทั่งต่อไปเนี่ยไม่ได้เจตนาจะเห็นมันก็เห็ น, นแล้วี่เรียกว่าสติมันเกิด มันฝึกนะจนกระทั่งเห็นโดยไม่เจตนาจะเห็นเนี่ยว่าเรามีสตินะเบื้องตก็ต้องจงใจไปก่อนนะเร่อจงใจหายใจใไปหายใจเรารู้สึกตัวหายใจเรารู้สึกตัวเห็นตั้งกายมันหายใจต่อมาเวลาเพลิบเสอนะเกิดราคะเกิดโทสะขึ้นมานี้ลมหายใจจะเปลี่ยนจังหวะเวลามีราคะลมหายใจเปลี่ยนจังหวะนึกออกไหมเวลามีโทสะลมหายใจก็เปลี่ยนจังหวะนะสติมีจระละรึกเองเลย้ง ลมหายใจมั น, ปนแปลกไปแล้วพอรา ล, ลึกปจะรู้สึกขึ้นมาเลยนะต้องฝึกนะบางคนบอกหลวงพ่อสอนอะไรแปลกๆซึ่งเรานี้มีอยู่ในคำเพียงของเราทั้งนั้นเลยถ้าเราไม่ได้ศึกษาเองเองนะไม่จะมาบอกว่าหลวงพ่อสอนแปลกหลวงพ่อสอนถูกนะแต่ว่าพวกเราส่วใจไม่เคยเรียนมากถ้าเคยเรียนสัก่อนเคยฟังสัก่อนและการปฏิบัติจะง่ายนะพวกเราคนไหนพวาวนา ม, มาสามสิบปีบ้างมีไหมในห้องนี้ ให้ปฏิบัติมนาะสักสามสิบปีแล้วมีไหมมีหนึ่งคนสองคนเมื่อก่อนจะเดือนนี้คล้ายๆกันไหมหเห็นไหมว่าจิตตอนนี้อยู่ที่ไหนโอ้นะทำไมจิตมาอยู่ที่ท่านนะ่ะทําไมจิตไม่อยู่ที่ตัวเองโอ้นะ <c oughs> <c oughs> ถ้าเราภาวนาถูกนะสามสิบปีเนี่ยเราก็รจะฝนถูกไปแล้วนะถ้าเราทําถูกจริงๆ แต่ถ้าเราทําให้ถูกนะส่วนใหญ่ที่ทํากันนะจะเป็นเพ่งเพ่นทําความสงบเฉยๆนะกี่ปีกี่เปีก็อยู่อย่างนั้นนะวันนี้สงบแปพรุ่งนี้ก็ฟุง้งฟุ้งก็มาทําความสงบใหม่นะเดี๋ยวอีกทีก็ฟุ้งอีกแล้วมีแต่สงบแล้วก็ฟุ้งซ่างสงบแล้วฟุ้งกี่ปีกี่ปีก็อยู่แค่นั้นอนะเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้หลักถ้าเรามีหลักจริงๆนะเราก็ทกํากรรมฐานสัก อ, อย่างหนึ่ง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 ใครเคยอ่านสติปัฏฐานสูตรบ้างมีมหมยกมือให้หลวงพ่อชื่นใจที่ใครเคยอ่านมาหาสติปัฏฐานบ้างอ่านน้อยเกิดไปนะทําไมคนที่เคยอ่านมีน้อยเหลือเกินให้อ่านดูนะเพราะมันเป็นคำพีที่อัศจรรย์มากเลยเป็นการประมวลวิธีปฏิบัตินะประมวลวิธีปฏิบัติย่อลงมาในสติปัฏฐานเนี่ยท่านสอนได้สารพัดเลย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 เราไปหาอ่านดูแล้วจะพบว่าอัศจรรย์มากในขัานที่แรกอยังงงงงนิดนึงแล้วทำไมพูดง่ายๆ่าเช่นหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ฟังแล้วดูไม่มีสาระอะไรเลยหายใจออกก็รู้สึกไม่หายใจเข้าก็รู้สึกยืนอยู่ก็รู้นะยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่นั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่เดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่นี่คือการฝึกให้มีสตินะเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เฉยเฉยก็รู้ ดุขรพิสูจน์ทั้งหลายจิตมีราคาก็รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคาก็รู้ว่าไม่มีราคะดุขรพิสูจน์ทั้งหลายจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะดุกรพิสูจน์ทั้งหลายจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะรู้ว่าไม่มีโมหะดุกรพิสูจน์ทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหู่รู้ว่าหดหู่จิตมีสมาธินะคณิกะสมาธิ องปัญจาราสมาธิอัปนาสมาิก็รู้เป็นเรื่องง่ายๆทั้งหมดเลยฟังดูแล้วมเหมือนเด็กเล่นเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราทำตามที่ท่านสอนนะถนัดรู้กายรู้กายเพกกรเช่นถนัดรู ก, กายน้หมดย่อยของกายก็มีอีกเช่นถนัดจะดูท้องผ่องยกนี่คือรู้อิทธิยาหมดย่อยนะถนัดเดินจงกรมจะรู้อิทธิยาหมใหญ่นะถนัดรู้ลมหายใจเข้านรู้บับพพออาอภปนาสมาธิ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 ด้าเครื่องมือที่จะใช้เจริญปัญญาต้องทํำนะให้สติเกิดบ่อยๆแล้วเครื่องมือตัวที่2เนะี่ยคือสมาธิเครื่องมือที่ใช้เดินปัญญามี2ตัวเท่านนั่นสติกับสมาธนะิอันนี้บางทีเราก็จะได้ยินนักปฏิบัติเขาพูดนะต้องมีสติมีสมาธนะิสติเกิดยังไงไม่รู้นะี่หลวงพ่อแจกแจงโจทละเอียดยิบเลยนะนะสติเกิดเพราะว่าเราเห็นสภาวะบ่อยๆเลือกนะ เ, เอาในสติปกฐานนะั่นแะ ไปเปิดสติปัฏฐานสูตรดูนะมีตัวอย่างให้เราศึกษาเยอะเลยว่าจะรู้อะไรดีถ้ารู้ลมหายใจแล้วสติเกิดบายรู้ลมหายใจถ้ารู้อิทิยาบทสติเกิดบ่อยก็ยรู้อิทิยบทรู้อิทิยาบทย่อยเราสึกิเกิดบ่อยรู้อิทิยาบทย่อยเช่นเคลื่อนใบรู้สึกนิ่งรู้สึกท้องฟองรู้สึกท้องยกรู้สึกรู้ไปเลยได้สตินะให้ฝึกเอา หรืสุขทุกขกุศลอกุศลโูกไปเล่นได้สตินะส่วนสมาธิสมาธิเนี่ยนักปฏิบัติน่ามักง่ายชอบพูดว่าต้องนั่งสมาธิก่อนเราตึงจะเกิดปัญญาไม่รู้หรอกว่าสมาธิมีหลายชนิดครูบาอาจารย์ที่สอนสมาธิเนี่ยมีเยอะนะแต่ว่าภาษาที่ท่านใช้เนี่ยมันเป็นภาษาที่อาจจะเก่าจนพวกเราไม่เข้าใจอย่างหลวงปุเทศนะท่านสิ้นไปนานแนละ้ว หลวงปูเทศโตเขาก็าไปเรียนกับท่านท่านเมตตาหลวงพ่อมากเลยเวลาไปเรียนกับท่านนะท่านประกอบประงวัติท่านสอนสมาธิสองชนิดสมาธิชนิดที่หนึ่งเนี่ยจิตเพ่งนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวท่านเรียกว่าฌานแต่ถ้าเรียกแบบปริยัตินะเียให้ถูกภาษาของปริยัติจะเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานนี่จิตที่เพ่งแน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียว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 ไม่ได้ขึ้นสมาธิชนิดที่จะใช้เดินปัญญาหรอกสมาธิชนิดท ah <olds in the sea> <word sp> ี่เดินปัญญาเนี่ยหลวพุทธเทศเรียกว่าสมาธิสมาธิเท่งอารมณ์เนี่ยเขาเรียกฌานถ้าสมาธิที่จะเดินปัญญาเนี่ยเป็นความตั้งมั่นของจิตจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้ประบาทจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้ประบาอย่างพุทเทศเขาเรียกว่ามีสมาธิถ้าเรียกให้ถูกปริยัตเนี่ยจะเรียกว่ามีลักขณูปนิชฌานลักษณะที่มีสองชนิดนะ สมาชนิดที่หนึ่งเพ่งอารมณ์น่ะนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวได้ความสุขได้ความสงบเลยไม่ก็ไปทํางานทางโลกเรียกว่าอารามันุปนิชาติเกือบทั้งหมดเลยนะของนักปฏิบัติสมัยก่อนที่ทำกันมาทำเอาอตัวนี้แล้วก็ติดตายอยู่ที่นี่ขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นวันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุงฟ้งซ่านพรุ่งซ่านทําใหม่สงบใหม่เดี๋ยวก็ฟุ้งใหม่มวนอยู่แค่นี้แหละไปไหนไม่รอดสมาธิอีชนิดหนึ่งที่เรียกลักขนมปนิชาติัวนี้เป็นตัวแตกอักเลย ถ้าเรามีสมาธิชนิด น, นี้นะเราถึงจะเดินปัญญาได้หลวงปู่ ด, ดูลสอนอยู่คําหนึ่งบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกคําว่าอย่าส่งจิตออกนอกก็คือจิตไม่เคลื่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บวชครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็บอกว่าให้มีจิตผู้รู้มีจิตผู้รู้คือจิตที่ไม่ได้ไหลไปคิดนึกหลงแต่ก็คือจิตที่ตั้งมั่นมันเอง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 งั้นเมื่อจิตเราไม่มีสมาธิตัวนี้นะเราไม่สามารถเดินปัญญาได้จริงถึงจะฝึกสติแต่ว่าไม่มีสมาธิที่ตั้งมั่นก็กลายเป็นเพ้งหมดเช่นมีสติไปรู้ลมหายใจแต่จิตไม่ตั้งมั่นนะจิตจะเคลื่อนเข้าไปจับนิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจจนลมหายใจระงับนะกลายเป็นแสงสว่างแล้วกลายเึงเข้าฌานไปกลายเป็นสมาธิที่พักผ่อนไปหมดเลยนั้นต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเท่านั้ น, นะถึงจะเดินปัญญาได้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 การเล่นสมาธิแบบโน้นแบบนี้จะถนดัดครูบาอาจารย์ที่เก่งสมาธิอย่างหลวงปู่เทเสนะ้นท่านบอกให้เล่นอันนี้อันนี้นะบอกฟกลัวติดท่านบอกถ้าติดเดยอะอาตมากแก้ให้นะให้หัดเล่นเอาไวนะให้ชานาญทุกอย่างทุกอย่างนั้นสอนอย่างนั้นเลยรู้นะสมาธิไม่ที่ไหลเข้าไปจับอารมณ์เอาไปเดินปัญญาไม่ได้นะสมาธิที่จิตถอนตัวออกจากอารมณ์มาเป็นคนดูเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเนะี่ยมันถึงจะเห็นความจริงของร่างกาย เห็นจิตใจเปนเคลื่อนไหวเป็นสุขเป็นทุกข์ดีชั่วจิตตั้งมั่นเป็นคนดูมันถึงจะเห็นความจริงของจิตใจได้การที่จะถอนตัวจิตขึ้นมาจนมันตั้งมั่นเป็นคนดูเนี่ยต้องฝึกนะวิธีฝึกทํำยังไงวิธีฝึกมีสองวิธีวิธีที่1เข้าฌานซึ่งพวกเราเข้ายากในคนรุ่นเราเนี่ยฟุ้งซ่านกิงโอกาสเข้าฌานมีน้อยแล้วเค่วิธีที่สองไปวิธีที่สองเนี่ยก็คือ ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งทำกรรมฐาสักอย่างหนึ่งแต่ว่าพอจิตมันเคลื่อนไปให้คอยรู้ทางจิตที่เคลื่อนจิตจะเคลื่อน2ลักษณะท่าน้นเคลื่อนทิ้งอารมณ์กรรมฐานนี้นะหนีไปคิดนี่แบบหนึ่งเคลื่อนเข้าไปเพ่งนิ่งๆอยู่ที่อารมณ์ ก, กรรมฐาน น, นี้ไปอีแบบหนึ่งเคลื่อนมีสองเคลื่อนท่านหนเคลื่อนไปคิดกับเคลื่อนเข้าไปเพ่งสมัยเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนหลวงพ่อจะสอ น, นื่องไม่เผลอไม่เ พ, เพ่งใครเคยฟังซีดีรุ่นโบราณมั้น ตอนไม่เผลอไม่เพ่งอันนั้นสอนเพื่อให้เกิดสมาธิที่ถูกนะหลังๆเนี่ยไม่ค่อยพูดเรื่องในราวพวกเราทําเป็นเดี๋ยวหลวงพ่อสอนเรื่องแยกธาตุแยกขันให้ฟังซีดีรุ่นหลังจะรู้แยกธาตุแยกขันเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการเดินปัญญาแลจิตตั้งมั่นได้แล้วมีสมาธิแล้วก็แยกธาตุแยกขันมาเดินปัญญาแม้มันมีวิธีการที่เราต้องเรียนนะงั้นต้องมาเรียนก่อนว่าฝึกให้มีสติด้วยการคอยรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อไหวรู้สึกนะ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 คิดไหมเนี่ยแม้จิตไหลไปคิดแต่ดไหลไปคิ ด, คดพวกที่ว่าไม่คิดคือมองไม่เห็นนะไม่คิดก็ตะลุดเลยทุกคนนี่หัดรู้ทันจิตที่คิดนะถ้ารู้ทันจิตที่คิดอะจิตที่รู้จะเกิดนี่เป็นเคล็ดลับนะกว่าจะได้โนฮตาวตัวที่านะโอ้พาวนาปังกายให้รู้ทันจิตที่คิดนะจิตรู้จะเกิดขึ้นเอง สังเกตไหมพอเรารู้ฐานจิตที่คิดมันคล้ายๆมีคนหนึ่งเป็นคนดูอยู่แล้วหลวงพ่อจะหยุดพูดอีกห้ามคิดนะสังเกตไหมว่าใจมันคิดสังเกตไหมที่มันคิดอยู่เนี้มีคนหนึ่งเป็นคนรู้มันนะมีคนเป็นคนรู้นี่แหละคือจิตผู้รู้แล้วนะความคิดก็ทํางานไปจิตเป็นคนดูอยู่นะนค่อยๆหัดนะค่อยๆหัดต่อไปเพอ จิตมันเคลื่อนไปคิดรู้ทันปั๊บตัวรู้เกิดจิตเคลื่อนไปเพ่งปุบรู้ทันตัวรู้ก็เกิดรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะตัวรู้จะเกิดเองห้ามบังคับให้เกิดนะให้มันเกิดเองถ้าจงใจทําให้ตัวรู้เกิดนะจิตจะแน่นเอียดเลยนะทําผิดแล้วถ้าจิตแน่นๆในจิตอาภูสุนะจิตที่เป็นกุศน่าจะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรเกิดการงานนี่แอบไปคิดแล้วทราบไหม เห็นไหมพอรู้ทันแม้จิตมันจะโล่งขึ้นมาเลยนะจะปลุกโล่งขึ้นมาเลยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในชาปนนั้นเลยะตรงที่รู้ทันม่าจิตขิดนะมันไม่ห้ามจิตที่จะคิดแต่ให้รู้ทันจิตที่คิดนะเห็นไหมจิตเคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปเคลื่อนมาเห็นความเคลื่อนของมันไหมมันเคลื่อนมันสายเห็นไหมมันไม่ได้อยู่นิ่งๆสายไปสายมาบางคนพยายามให้นิ่งด้วยอันเพ่ง เพ่งก็เป็นสมถะแต่ถ้ามันเด่นเคลื่อนแล้วเราเห็นนืจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาจะเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งแต่ถ้ากลัวมันจะไหลไปแล้วเพ่งไว้จ้องนิ่งแล้วบอกว่าไม่คิดอะไรเจ้าเนี่ยไปเป็นสมถะเป็นสมาธิชนิดแรกแต่ถ้าจิตมันสายสายสา ย, สายแล้วเรารู้ทั น, นจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูหลวงปู่ดูลบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่เพราะอาศัยจิต อาศัยคิดก็คืออะไรปล่อยให้ใจมันคิดนะไม่ใช่ห้ามนะแต่มันคิดแล้วเรารู้ทันรู้ทันเนี่ยจิตคิดจะดับต่เกิดคิดรู้ขึ้นมาเห็นึงบอกคิดเท่าไหร่ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่อาศัยจิตบางคนไปจําที่หลวงปู่สอนได้ได้สองคำคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้เลยพยายามฝึกที่จะหยุดคิดท่านมีประโยคที่สามนะว่าแต่ต้องอาศัยคิดคือปล่อยให้มันทํางานไปแล้วเรารู้ทันว่ามันเคลื่อนไปหลวงพ่อจะฉันน้ํำนะพวกเรา ห้ามจิตเคลื่อนนะอมองออกไหมถ้าเราเห็นที่อาการที่เขาเคลื่อนเ้าสายนะตอไปนี้ทุกคนนั่งสมาธิวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะเรเรยนเข้าคอร์สแบบปฏิบัติหน่อยเดี๋ยวจะว่าหลวงพ่อสอนแต่ปฏิัต์นั่งสมาธิไปแล้วคอยรู้ทันจิตไม่ใช่นั่งให้นิ่งนะไม่นั่งให้สงบนะ ตัวใหญ่เห็นไหมว่าจิตมันสายไปสายมามันมีนิ่งให้รู้ว่าสายไม่บังคับให้นิ่งสังเกตให้ดีหลายคนเริ่มถลำลงไปเอาไปดูดูดู้วนะจิตมันเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนลงไปนะมันคล้ายๆเราชะโงกลงไปดูอะไรที่อยู่ในคลองแล้วตกคลองลงไปใจถอยขึ้นมาเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดู เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้ถ้าจิตเคลื่อนไหวก็ เ, เห็นจิตที่เคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวก็เห็นร่างกายหายใจร่างกายเคลื่อนไหวรู้ทันสงบหรือไม่สงบไม่สําคัญสําคัญที่รู้ทันใช้ได้นะส่วนใจญ่เอาละพอละค่อยถอยออกมา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 พลังกไปไม่เรื่องสมาธิละเอียดอ่อนแนละ้วไม่ใช่พุโทโธไปพุโทโธพุโทโธว้วกว่าจะเป็นนะกี่สิบปีจะเป็นนะหายใจไปกี่สิบปีจะเป็นนะรู้ทันจิตก็ไปบทเรียนที่จะทําให้เราได้สมาธิที่ถูกต้องเนะี่พระพุทธเจ้าถึงเรียกว่าจิตประสิทิ์ขาต้องเรียนเรื่องจิตนะจะได้สมาธิที่ถูก ถ้าเราไม่รู้ทันจิตนั่งสมาธิไปมันกลายเป็นโมหะสมาธิผลสมาธิเคลิ่มเิมสมาธิลึมเนื้อลืมตัวใช้ไม่ได้จริงหนี่เราพ่อเล่นสมาธิอยู่22ปีนะโอ้กว่าจะแยกแยะออกมาได้ครูบาอาจารย์ท่านชี้นำให้ด้วยถึงได้เข้าใจให้มันโง่จริงเลยแทบด่าตัวเองเลยนะไอโง่ทำอยู่ได้สังเกตดูใจของเราเห็นไหมว่ามันทางานได้ มันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงตรงเนี้นะถ้าจะตอะขขจะ่อเข้าสู่การเจริญปัญญาทําได้ง่ายนะเพราเราเห็นจิตมันทํางานทํางานไปเรื่อยนะใจเราค่อยๆเป็นคนดุขึ้นมาเราเห็นว่าจิตมันทํางานได้เองโดยที่เห็นจิตมันทํางานได้เองเนี่ยเราเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตนะเราเห็นอนัตตาบังคับไม่ได้แล้วเห็นความไม่เที่ยงของจิตไหมจิ meva, ตเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีดเดี๋ยวร้ยายเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวสาย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 คนนึกว่าหลวงปูดุลเป็นต้นต่อหรือบางคนหลวงพิทวัตหลวงพ่อประโมทเป็นต้นต่อไม่ใช่หรอกนะหลวงปูดูลนะภาวนากับหลวงปู่มั่นได้ทภาษาบกว่าได้ภาษากว่าเนี่ยท่านเข้าใจธรรมะเบื้องต้นไปหาหลวงปู่มั่นอีกออกภาษาไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนให้ดูจิตโดยทั่วๆไปเนี่ยสายวัดป่าเนี่ยจะเข้าใจว่า ต้อดูกายไป็นฉันเป็นเพราะอาณาคารนะเราถึงจะดูจิตส่วนใหจะเชื่ออย่างนี้เลยหลวงปู่ตุลไม่ใช่พระนาคารนะหัดพาณาได้ไม่นานเลยไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนบว่าสัเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสัเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาท่านดูสังขารคือความปรุงดีปลุงชั่วนี่นะ มันยงอยู่กับสัญญานะสัญญามันเข้าไปเป็นตัวกระตุ้นให้สังขารทํางานตัวที่กระตุ้นให้จิตไปปรุงแต่งมันมีสองตัวสัญญากระเวทนาเนี่ยมีความสุขเกิดขึ้นจิตที่จะคิดไปตามเรื่องของความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นก็คิดไปเรื่องของความทุกข์ตามมันนะมีสัญญาเช่นเรานั่งอยู่ดีๆหน้าของคนคนหนึ่งบุดขึ้นมาใจเราปรุงต่อเลยเคยไหมอยู่ๆหน้าคนคนนี้ลืมไปตั้งหลายปีก็โผล่ขึ้นมา พอโกรธขึ้นมาใจแนละ้วไม่รับก็เปลี่ยนไปเลยนะี่ใจมันปลุกต่อเนี่ยสัญญามันทางานสังขารมันปลุกหลวงปู้ดูลัณฑ์ดูอยู่ไม่กี่เดือนเลยใช้เวลาไม่กี่เดือนนะท่านเห็นอริยสัจแห่งจิตท่านรู้เลยว่าตัวจิตเนี่ยเป็นตัวทุกข์นะตัวจิตเนี่ยเป็นตัวทุกข์ท่านก็คนทุกขนะ์ไะด้วยเวลาที่สั้นมากเลยนั่นต้นต่อของการดูจิตจริงๆมันจะหลวงปู่มั่นมาเลย หลวงปู่ดูลท่านเรียนมาแต่หลวงปู่ดูลไม่ได้สอนแต่ดูจิตลูกศิษย์ที่หลวงปู่ดูลสอนดูจิตก็มีไม่เยอะหรอกส่วนใหญ่สอนดูกายเพราะว่าเขาเหมาะที่จะดูกายท่านก็สอนกายสอนดูจิตแต่คนที่เหมาะที่จะดูจิตส่วนใหญ่เป็นคนในเมืองพวกเรียนนังสือเยอะๆพวกคนในเมืองพวกช่างคิดน่ยสอนให้ดูจิตหลวงพ่อเคยดูกายนะก่อนเจอหลวงปู่ดุลย์นั่งสมาธิ เคยได้ยินอุปการพูดเรื่องพิจารณ ก, กายดูผมเนี่ยผมสลายไปนะเห็นหนงังศีรษะดูหนงันงศีรษะหนังศีรษะเปิดเลยนะเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกกันนะหัวขาดไปเลยนะสมาธิมันแรงนะดูเลยเนื้อถล่มส ล, ลายหมดเลยทั้งตัวนะื้อดูตัวเนื้อหนังนี่ก็เด็นลงไปหมดเนื้อกะดูดูกระดูกนั้นระเบิดเลี้ยงเลยเป็นชิ้นเล็กชิ้ น, น้อยนะ ยังไม่ยอมเลิกนะมันตกลงไปอยู่ที่พื้นเป็นเม็ดเล็ๆดูๆ ต, ตามลงไปสลายตัวเป็นแสงไปหมดเลยเลยรู้เลยรูปเนี่ยนะท่านแยกออกไปสุดที่สุดกลายเป็นคลื่นนะั่นอีคลื่นแสงคลื่นอะไรท่าเนเอนสลายสลายสลายไปดูเหมางนี้ก็เคยดูไม่ใช่ไม่ดูแต่ไม่ถูกจริตรู้สึกตื้นเกินไปไม่สบใจหลวงพูดดุลยสอนให้ดูจิตใจตัวเองเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยววายดูเลยๆดูด้จิตที่เป็นคนดูนะ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 จะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้นะต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูถ้ามีสติอย่างเดียวนะจะเห็นอะไรจะเห็นกายเห็นใจแต่จะไม่เห็นไตรลักษณ์แต่ถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูปุ๊บสติระลึกรู้กายมันจะเห็นในกายกับจิตเนี่ยคนละอันกายไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นตัวชี้ขาดเลยว่าจะเกิดปัญญาเดินมีศา ส, สนาได้ไหมลำพังมีสติเนี่ยังไม่ขึ้นเปัน ส, สนานะต้องมีจิตที่ตั้งมั่นด้วย มีสติรู้ท้องพองมีสติรู้ท้องยุบเห็นอะไรเห็นท้องไม่ใช่เห็นไตรลักษณ์แต่ถ้าจิตตั้งมั่นปุ้มมันจะเห็นในท้องที่พองไม่ใช่เราท้องที่ยุบไม่ใช่เราะตัวที่พองตัวที่ยุบนี่ไม่ใช่เราที่เห็นไตรลักษณ์เงื่อนตัวที่จะชี้ขาดเลยว่าเราจะภาวนานได้มั่งได้ผลในชีวิตนี้ไหมก็คือจิตเราตั้งมั่นไหมตัวนี้สําคัญมากต้องเรียนต้องฝึกนะพอรู้เรื่องไหมหลวงพ่อถือว่ามหเพศครรมสุดท้าย ที่นี่นะที่จะไปแล้วไปอยู่แล้วที่อื่นเขาก็รอฟังอยู่นะนรอเทศูอ่อเมริกานี่ใช้เวลาเยอะลูกคนนะะเที่ทศอะไรรู้โต๊โตเดินทางกทนะนนีนั้นโอ้หมดนานนั่งรบินมาจากฟอลอริดาหนะ้าชั่วโมงกว่านั่งตอนไปขึ้นระบินนะไปนั่งบนระบินแล้วมันก็ไม่ออกสักทีนะ แล้มันก็บอกให้เชิญลงเป็นนั่งรอนั่งเดินบินเสียรออีก่สองชั่วโมยังเราเป็นนึกนะั้นบุญของเรานะมันเสียบนบกอะบนดินนะ่ะมันไม่ไปเสียกลางอากาศนี่มองโลกแง่ดีไหยถ้ามองโลกแง่ร้เสียอีกแล้วอ ย, อย่างนี้นให้มันเสีย บ, บนดินนี่แหละดีแล้ ว, ลวมันเหมาะสมแล้วกว่ยาจะมาถึงนี่นะใช้เวลาสิบกว่าชั่วโมงสิาชั่วโมง นาประเทศให้โตโตใ น, ะนพวกเราโอกาสเจอหลวงพ่อเนะี่ยถ้าไม่ได้ไปเมืองไทยเนะี่ยโอกาสน้อยมากนะประมาณศูนย์เปอเซ็นต์โอกาสว่าจะไม่มาแล้วล่นะให้พวกเราวิธีที่จเจอหลวงพ่อนะคือภาวนานถ้าใครภาวนานเป็นนะจะเจอหลวงพ่อนะไม่จเจอภาวนานไม่เป็นไม่เจอหลวงเห็นอะไรเห็นร่างกายนี้เห็นรูปแบบอย่างนี้นะ ไม่รู้ว่าหลวงพ่อเป็นยังไงถ้าเราพอนานานะเรจะรู้เลยว่าทุกคําที่หลวงพ่อสอนนี้ถอดหัวใจมาให้เลยนะไม่ใช่หลอกหลอ ก, หลอกเราเลยนะถ้าพอวนาเป็นนะจะรู้จักภานาไม่เป็นไม่รู้จักพระอะไรว่าพูดอะไรวาฟังไม่รู้เรื่องเลยก็เห็นฟังไม่รู้เรื่องข้าก็พูดไม่รู้เรื่องเหมือนกันถ้าเห็นฟังรู้เรื่องก็แสดงว่าข้าพูดรู้เรื่อง <c oughs> ช่วยตัวเองนะมีปัญหาติด ข, ขัดเนะี่ยไม่ต้องถามใคร ไปเปิดซีดีฟังนในซีดีมีทุกคําตอบหลวพ่อไม่ค่อยแนะนำหนวให้ไปถามท่านนั้นถามท่านนี้นะสับสนมากเลยเรียนธรรมฐานนะรู้หลักนะให้มันเด็ดเดียวลงไปเลยส่วนใหญ่ที่เขาสอนกันมนก็สายนีดยน้ดีสายนี้ไม่ดีสายนี้ถูกสายนี้ไม่ถูกแต่ท่านั่งสมาธิยังเถียงกันเลยมือจะวางแบบไหนนี่โป้งชนกันะนี่โป้งชนกับนิ้วกรกชี้หรือนิ้วชี้ชนนิ้วชี้หรือนั่งอย่างนี้ ไม่เถียงกันแต่เรื่องพวกนี้นะเดินจงกรมจะเดินท่าไหนหนึ 1, 9, ่งเก้าทั้งยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหรไรสาระที่สุดเลยไม่ได้ประโยชน์เลยพ่อแม่สอนเดินยังไงก็เดินอย่างนั้นแหละแต่เดินด้วยความรู้สึกตัวนะครูคนแรกของเราคือพ่อแม่เราอยู่แล้วนั่นเราจะเกร่วงเกิดครูของเราพ่อแม่เราสอนเราเดินมาอย่งไรเราก็เดินอย่างนั้นแะสวมติเราขาสั้นข้างยาวข้างใช่ไหมจะให้ไปเดินเหมือนไอ้คนขาเท่ากันสองขาได้ไง เราก็เดินของเราก็ะเฟรตกระเฟรตกระเฟรตไปนะเดินเนด้วยความรู้สึกตัวเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูก็เกิดปัญญาลุยแล้วไอ้ร่างกายที่เดินนี่ไม่ใช่เราหรอกนะหรือเห็นจิตใจมันทํางานได้เองเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวร้ายมันก็ทําของมันเองมันไม่ใช่เราหรอกนะดูไปดูไปเห็นไม่มีเราเลยค่อยฝึกเอานะไม่ต้องไปเตียงกับใครหรอกใส่ไหนสายไหนฝึกให้มีสติที่ถูกต้องฝึกให้จิตตั่งมั่น แล้วสติเป็ระลึกรู้อะไรมันก็เห็นใจรักของสิ่งนั้นเหมือนกันหมดนะกรรมฐานอะไรเขาเหมือนเหมือนกันยากไปไหมทํำไหมพี่ยากไ ม, ไม่ยากห <c oughs> ลวงพุทวนุลสอนหลวงพ่อการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะพวกไม่ปฏิบัตินะหนังสือมามากแล้วตัอไปนีอันจิตตนเองสอนหลวงพ่อนะบางคนท่านก็สอนดูกาย สอนดูจิตเมื่อสทีแล้วก็เห็นจิตมันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของมันเห็นมันไม่ใช่เราไจิตไม่ใช่ตัวเราอะไรใดก็ไม่เป็นเราอ่าตูวเรื่อยไปแล้วมันเป็นอะไรเป็นตัวทุกข์นั้นเป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นจิตเป็นตัวทุกข์มันสัตว์จะสัตว์จิตทิ้งพอทิ้งจิตไปนั้วจะเกิดสภาวะอหนึ่งนะครูบาอาจารย์ถ้าเรียกชื่อต่างๆกัน อย่างหลกตามมหาบัวนะท่านเรียกว่าธรรมธาตุตัวธาตุรู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยท่านเรียกธรรมธาตุเพราะเป็นธาตุที่ส่งธรรมหลวงปุณณ์ท่านเรียกว่าจิตหนึ่งจิตหนึ่งไม่ใช่มีจิตสองจิตสองก็ยังมีจิตสุจิตทุกข์จิตที่จิตหลายที่จิตหนึ่งจิตที่ไม่มีอะไรผูกติท่านพุทธทาท่านเรียกว่าจิตเติมแท้นะก็แบบเดียวกันคือจิตที่ไม่มีอะไรผูกหลกงปูเทศท่านเรียกว่าใจ ธรรมชาติที่รู้ท่นนี้เป็นธรรมะที่รู้หลวงปู่บุตดาท่านเรียกว่าใจเดียวมีแต่ละชื่อไม่เหมือนกันสมเด็จพญสารงวรท่านเรียกว่าวิญญาณธาตุมันเป็นธาตุ่าจากจิตที่กลับกรอก ย, อยอ่อร้อนนะฝึกไปเรื่อยจะปล่อยของปลอมจริงไปเรืถ้าเจอของแท้ขึ้นมามันเป็นธาตุที่บริสุทธิ์ขึ้นมาจิตของพวกเราสมปรบนะ บางคนมักง่ายบอกว่าจิตนี้ดีอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรศีล ส, สมาธิปัญญาไม่ต้องเพราะจิตนี้ดีอยู่แล้วอ้างว่าพุทธเจ้า บ, บอกว่าจิตนี้ประพั ส, สอนเดิมจิตประพัฒ ส, สอนแต่สร้างหมองเพราะกิเลสที่จอยมาจิตพระพั ส, สอนแปล่จิตสว่างประพัสอนแปลว่าสว่างไม่ได้แปลว่บาบริสุทธิ์ตกโลงมีอวิชชาครอบนำ้ำอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจเป็นรากเป็นเงาเป็นพ่อเป็นแม่ของกิเลส ท, ทั้งปวง งั้นเราก็มาทำลายอาวิชชาด้วยการรู้อริยสัจให้ได้รู้อริยสัจ ต, ต, ต้องรู้จักรู้ทุกคือรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นนะรู้ทุกเมื่อไหร่ต่อไปก็ละสมุทยัยแจ้งนิโรธเกิอดอริยมรรคขึ้นมานี่คือเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์รู้ทุกไปด้วยครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็สรุปนะถ้าไม่เห็นทุกก็ไม่เห็นธรรมนะอย่นี้นะเพราะเราบางคนไม่เข้าใจเฮ้ยไม่เห็นทุกไม่เห็นธรรมงั้นต้องอดข้าวเยอะๆอเดินจงกรมเยอะๆเลยจะได้เห็นทุก อย่นั้นไม่เรียกว่าเห็นทุกเห็นทุกคือเห็นความจริงของกายของใจพระเจ้าบอกสรรคิตเตนะปันตุปาทานกันธาทุกขาโดยสรุปขันทั้งห้านี้เป็นตัวทุกเห็นทุกก็คือเห็นขันมันทํางานนี่ะน่นั้นเรียนให้ถูกนะแน่ถูกหลักถูกเพียนหลวงพเรียนจากครูปัญจันน์ร่วมสี่สิบองค์องค์แรกเป็นท่านพอดีที่สอนสมุท t h ให้ องค์ที่สอนให้เกิดปัญญาองแรกเลยหลวงปูดง่ดุลหลวงพ่อพุฒแล้วก็หลวงปู่เทพช่วงแรกๆเป็นสามองค์นี้มาพอเข้าใจอะไรบ้างแล้วรู้หลักแล้วนะไปดูครูบ า, าอาจารย์เดียนๆฟั ง, งแง่มุมแต่และองค์แต่ละองค์ท่านสอนเรื่องเดียวกันทั้งนั้นอันเดียวกันองค์สุดทยหลวงปู่สุวัตหลวงปู่สุวัตท่านจะสอนคนอื่นยังไงหลวงพ่อไม่รู้นะ ท่านสอนหลวงพ่อเนี่ยสุดท้ายท่านเข้ามาที่วัดกันปล่อยวางจิตสอนอย่างนี้ตรงครั้งสุดท้ายที่ไปหาท่านตอนนั้นบวชนะอันซาแรกบวชนะหาท่านถามธรรมะท่มมานท่านตอบมีคนถ่ายวีดีโอไว้นะพวกโยมที่วัดป่าเขาน้ยของหลวงปู่สุวรรณก็ถ่ายวีดีโอไว้ใครบอกว่าหลวงพ่อไม่ใช่รู้สึกหลวงปู่สุวรรณไม่ใช่ะมีหลักฐาน หลวงปู่สอนหลวงพ่อแบบนี้ยจะบอกว่าเราสอนเราเราสอนผิดอะไรก็ไม่ได้หลวงปู่สอนลงที่เดียวกันหมดลงที่จิตท่านสอนคนอื่นไงหลวงพ่อไม่รู้นะแต่ไม่เหมือนหลวงปู่ดุลนะหลวงปู่ดูลเนี่ยหลวงพ่ออยู่กับท่านเยอะไหมรู้จักลูกศิษย์ท่านเยอะลูกศิษย์กรรมฐานนะลูกศิษย์ไม่กรรมฐานเนี่ยเยอะกว่าลูกศิษยกรรมฐานอีกลูกศิษยกรรมฐานหลวงปู่ดุลเนี่ยหลวงพ่อรู้จักเยอะนั่นจะรู้ว่าท่านสอนกรรมฐาน ยังไงบ้างไปอ่านหนังสือแก่นธรรมครับสอนหลวงปู่ดุลนั้นจะรวมคําสอนลวงปู่ดุลมาหมแต่คําสอนหลวปูสุวัตดิ์หลวงพ่อรวมไม่ได้ท่านสานพระอื่นองค์อื่นอะไรเงี้ยไม่รมูมนะแต่สอนหลวงพ่อเนีเข้าว่าที่จิตเลยวันนี้หลวงพ่อสมควรนะเทศมานชั่วโมงชั่วโมงพอดีพอดีส่งกันบ้านนะหลวงพ่อสงสาร คนที่ส่งสุดท้ายอะส่งคนแรกได้บุญแล้วล่ะคุค่ะคนแรกก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะลองเป็นคนสุดท้ายไหมถ้าเก้าไม่โอกาสก็จะเป็นคนสุดท้ายก็ได้ค่ะรู้ว่าความทุกข์มีจริงตอนนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็รวมกับปิติยินดีก็รู้ทันเข้ามากระทบที่จิตแล้วก็กำลังจะแสดงออกทางกายเท่าที่ดูอยู่ก็อยากจะถามว่าหนูปฏิบัติมาพอสมควรทางด้านสมถะอยากจะ ขอคำแนะนํำของพ่อให้มีการต้องต้รู้ทันอย่าให้จิตติดอารมณ์นะอย่างขณะเนี้จิตยังติดอารมณ์อยู่ดูออกไหมติดสุกเก็บกิเลสความสุขเล็กๆไว้ยเลียหนูเคยเป็นประเภทที่ว่าชอบเลี้งกิเลสน่ารักน่ารักไว้ดูค่ะอย่าไปยอมมันนะด้วยควา่ว่าจิตใจไม่เด็ดเดี่ยวค่ะกิเลสน่ารักในเบื้องต้นนะข่มคืนในเบื้องปลาย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 อยู่ในความสุขของสมาธินะอย่าไปยอมต้องสู้ตายงั้นเท่าที่ดูรู้ตัวอยู่ถูกจิตมันไม่ตั้งขึ้นมาจิตันย่คลุกอยู่กับอารมณ์ต้องแยกออกแากอารมณ์มันเป็นคนดูจริงๆก่อนขณะนี้มันยังเคล้าอยู่กับอารมณ์ถ้ารู้ทันเนี่ยมันก็แยกเองไม่ต้องให้มันแยกนะมันแยกเองแลวที่มันเกิดเป็นช่วงๆดีแต่นั้นนะดี แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งอันนั้นที่ที่เอาอาดีตขึ้นมาถามเป็นเพราะว่าไม่อยากรู้ว่าตัวเองหลงหรือว่าตังคิดเปเองจากสัญญาคือเคยอยู่ครั้งหนึ่งจิตละเอียดมากแล้วไปกระทบกับความทุกข์ซึ่งกายไม่สามารถรับได้แล้วก็เกิดกระเทือนกระเทือนจนกระทั่งดึงสเติจขึ้นมากลับแล้วมันก็เกิดหยุดการร้องไห้อ น, นั้นไม่ได้คิดเองใช่ไหมคะเออถ้ารู้ทันนะแล้วมันตัดเองตไดเอง แต่ถ้ารู้ทันแล้วช่วยมันคิดก่อนแล้วมันตัดอันนี้ยังไม่ใช่ตัดเพรารู้แต่ตัดเราคิดให้ปันตัดเพรารู้ตัดเพรคิดง่ายเป็นสมถะแล้วมีอะไรต้องแนะนำแก้ไขพยายามฝึกให้จิตตั้งมั่นฝึกสมาธินะสมาธิที่หนูฝึกมันเป็นสมาธิสงบไปมันมุ่งไปตัวนั้นมากไปเราไปไม่ฝึกสมาธิให้ตั้งมั่นหนูก็เสียเวลาตั้งยี่สิบสองปี แต่นีแต่ว่ามันจะโลวงพุทธนะมีอยู่คราวหนึ่งนั่งสมาธิจิตมันเคลื่อนไปจะเข้าไปจับอารมณ์มันเคลื่อนไปแล้วเราเห็นมันเคลื่อนนะแล้วไม่จับนี่ปะถอยควรต้องหาตัวรู้พอตัวท่านมาตัวรู้จะมาจับตัวรู้ไม่จับเลยแบบเลื่อนออกเชื่อนเข้าเชื่องออกมันรวมลงตรงกลางแบบนี้โลกาธาดับแปลกมากนะเป็นสภาวะนี่แปลกนิพพาน้ะมั่งทำตรงนี้นานๆจะนิพพานนะมั่งทำไปหลายๆวันแล้วเฮ้ยนี่มันสมถะ สมาธิมันหลากหลายนะมันเป็นหลอกเราให้หลงได้เยอะแยะเลยมีเยอะจิตขณะนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์สุขค่ะตื่นเต้นแล้วก็สุขตอนนี้กับตะกี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนแล้วนะตอนนี้เริ่มเจือทุกข์เข้ามาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนไปแล้วก็เปี่ยแล้วัแหละนั่นแหละมันทุกข์แล้นจึงดีแล้วค่ะเอ ไปดูนะเห็นไหมเห็นมันความเปลี mm. ites, ่ยนแปลงของมันะที่ว่าปีติที่ว่าสุขเห็นไหมอยู่ช่วงคราววสลายแล้ะกลายเป็นทุกข์ละมีทุกข์นะไม่ใช่ฝึกให้สุขนะแต่ฝึกให้เห็นความจริงว่าไม่เชื่องฝึกให้เห็นความจริงว่าบังคับไม่ได้ร่างสวยร่างงามว่าต้องดูตายเวลาฟุ้งมากมากค่ะแล้วโพงการก็คิดว่า เมื่อไตายเลยแล้วมันจะเพงแรงไปเนี่ยมันจะเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งสุดท้ายจะเป็นอย่างี้่เงมันมันเร็วไปนะอย่างหายใจในชะ่ไหมก็ไม่เร็วไปเดินจงกลมก็ไม่เร็วไปนี่ันะกเดี๋ยวแล้แลเพ่งนะ คำนันก้การคำหลวงพ่อหนูเ mm hmm. พิ่งจะเริ่มปฏิบัติมาได้ไม่นานนะคะ mm hmm. แล้วก็พยายามฝึกนั่งสมาธิพอออกจากสมาธิแล้วจะรู้สึกมึนๆ น, นั่นแหละนั่นแหละมันโมหะมันผิดตอนนั่งมันผิดตั้งแต่เริ่มนั่งนั่งซิแก้รั้งตึงตรงนี้หลยวางใหม่ใหม่แล้วกิดจิตตัวมใหม่ไประเด็น <laughs> นั่งไปลืมหลวงพ่อเร่มรู้สึกไห้เราไปบีบจิตแล้ว หายขึ้นมาเลยเป็นผิดเพื่แต่ตรงนี้แหละมาบีบไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆแล้วนิ่งไปแล้วอยออกมาค้างออกมาอย่างนี้เลยเป็นผิดเพื่แต่จุดแรกเลยเวลานั่งสมาธิอย่าอยากสงบแค่คิดว่าเราจะนั่งบูชาพระพุทธเจ้าแค่คิดว่าเรา น, นั่งรู้ลมหายใจออกหายใจเข้านั่งแค่รู้ไม่นั่งเอาอะไรไม่ได้นั่งเอาสงบของหลวงมุ่งจะอาสงบเลยไปปิดจิตจะให้นิ่งนะโมหันก็แทรกเลย แล้วคุณจะนี่ยวิธีนั่งสมาธิทําให้โดนเด็ดผิดแล้วไอ้รวมเข้ามาแล้ววิธีนั่งสมาธิเหรอง่ายพิสูจนทั้งหลายหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวไายใจเข้ายาวรู้ว่ายาวแค่รู้นะ่ะไม่มีคําว่าบังคับท่านสอนสมาธิง่ายมากเลยเพื่อจะดูระกพิสูจนทั้งหลาย ให้เธอคูบันลังนั่งขัดสมาธิทำไมต้องนั่งขัดสมาธิล้วไม่มีเก้าอี้จะนั่งนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าไม่มีคําว่าหลับตาหรือสั้นไปอยากพิสูจทั้งหลายให้คูบันลั ง, ลงตั้งกายตร ง, ตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวหรือว่าหายใจเข้ายาวพอเราไม่ได้ทําอย่างที่ท่านบอกอยากพิสูจน์ทั้งหลายวางฟอม วางฟองทางกายเสร็จแล้วทำใจให้ขลุ่มๆทำให้คลุบแล้วก็หายใจให้หายใจให้สงบนะไม่ได้มีอะไรตรงมาที่ท่านสอนมันถึงยากเลยถ้าทำอย่างที่ท่านสอนนะง่ายมากหายใจที่เกี่ยวก็สงบนี่หัวลุกนะเหมือนกับเรานั่งสบายๆแล้วก็ให้นั่งสบายๆดูให้ตัวนี้หายใจ จะให้เคลิ้มจะนั่งเอาเคลิมนะไปแก้ต่อแล้วนะจะนั่งเอาเคลิ้มค่ะคุณนิสการหลวงพ่อค่ะอยากทราบว่าการปฏิบัติเป็นเหตุบ้างไครัอืมครับปฏิบัติจะเป็นอะไรไม่เป็นหรอกที่การนั่งสมาธิแล้วก็มีความรู้สึกว่าบางครั้งติดสุขนั่นแหลติดติดสมาธินะถ้าติดสมาธิเงี้ให้มาดูกายพวกที่ติดสมาธิต้องดูกายนะ ดูจิตไม่ได้เพระจะไม่มีอะไรให้ดูจิตนิ่งดูไปเลยดึงดึงด้วยใจนะไต้องดึงเข็งดึงผมให้กองนึงควักลูกตาไปวางไว้ข้างลึงถึงนบนะแยกชิ้นเล็กชิ้นน้อยเล่นอย่างนี้แหละไปลองเล่นดูนะจิตมันชอบแยกแยกแๆร่างกายหายไปหมดเลยเหลือแต่จิตอันเดียวสงบอยู่พอถอยออกจากสมาธิแล้วมีร่างกายขึ้นมาปุ๊บจะรู้สึกเลยร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันแย ก, แยกขันได้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 เพราะาด้วยความที่เคยทามาตั้งแต่เด็กๆแล้วแบบเวลาเกิดอาการกลัวเนี่ยจิตจะน้อมเข้ามาสู่อารมณ์หายใจแล้วก็เกิดอะไรขึ้นมาเราก็ไปเป็นปลมสบายบเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยพ่อเคยคือไปนอนอยู่เถียงนาคนรับพ่อแล้วกาคืนเนี่ยพ่อจะไปจับปลาจับกบแล้วให้นอนคนเดียวแล้วเกิดอาการกลัวพบอกว่าให้ดูลมหายใจแล้วก็ะนเป็นอนกี่ยพ่อคาบอแล้วกลางคืนเนี่ยพ่อจะไปจับปลาจับกบแล้วให้นอนคนเดียวแล้วเกิดอาการกลัวพ่อบอกว่าให้ดูลมหายใจแล้วก็เกิดอะไรขารา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 ตั้งใจวันนั้นจะถึงวันนี้ไม่สามารถเข้าตรงนั้นอีกเลยีอย่าอยากสิถ้าอยากจะไม่เข้าเลยตอนนั้นที่เข้าได้เพขาไม่ได้ตั้งใจสมาธินะเริ่มเมื่อหมดความจงใจมีปััสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดหลกงพ่อพูดสอนเลยถ้าเราจงใจไม่รวมหรอกิดได้สมาธิทั้งวีกับแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือเวลานั่งบางครั้งที่ จิตมันนิ่งแล้วรู้สึกว่าร่างกายมันมันเกิดอาการเจ็บปวดจากการทํางานเนะี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยมันเกิดความรู้สึกว่าพราะเราไปทํางานหนะักเพราะอะไรตรงนี้แล้วมันเกิดความโกรธตัวเองขึ้นมาอืลุงนะั้งโกรธคนที่เกี่ยวข้องอะไรต่างตพวกนี้ให้รู้ไปนะต่อไปถ้ามันเกิดเจ็บปวดในร่างกายก็ค่อยดูอย่าเพิ่งไปโกรธใครนะดูไปให้เห็นว่าร่างกายก็อันหนึง่งความปวดก็อันหนึง่งจิตที่เป็นคนดูก็อันหนึง่งถ้าแยกได้จะดี แต่ถ้ามันไปโกรธขึ้นมาก็ดูไปที่โกรธให้เห็นว่าความโกรธกับจิตเนี่ยเป็นโคราชไม่แยกอีกครับอาจแยกไปได้ๆจนกระทั่งเห็นว่าจิตกับความโกรธโคราชกันนะไม่ใช่เดียวจิตเป็นคนรู้ว่าโกรธแล้วฝึกยันสุดท้ายก้เห็นเลยตัวอย่างเกิดเราดับความโกรธเกิดแล้วก็ดับความสุขเกิดแล้วก็ดับความปวดเมื่อยเกิดแล้วก็ดับนะมันเป็นประเด็นติดสมทา ครับขออนุญาตอีกนะครับคืออย่างที่บอกเมื่อกี้ที่หลงพ่อพูดก็คือในขณะที่รู้มันเกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งมันเหมือ น, นกับความจําเดิมที่เราเคยอ่านเคยเรียนเคยฟังครบาอาจารย์มาพ่ามันเกิดขึ้นแล้วนัา่าจะมันก็ดับไปอืในขณะตรงนั้นเ ล, เลยแยกไม่ออกว่าสิ่งนั้นเพราะว่าจิตเรารู้เองหรือว่าเพราะสัญญาเก่าที่เราเคยเรียน ร, รู้มาเร า, เราดูกแล้น อ, อีกนะต่อไปนี้ความสุขเกิดขึ้นให้รู้ความทุกข์เกิดขึ้นรู้นะ ดูไปด้วยจเห็นมันดับไปอะไรเกิดอะไรนันก็ดับดูบ่อยๆอย่าไปกังวลว่าตรงนี้รู้หรือคิดนะักปฏิบัติเริ่มมีปัชนาใหม่ๆชอบกังวลไอน้นี่รู้จริงหรือว่าเจอคิดหน้าอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวหรอนะดูบ่อยๆจนมันชำนาญเลยเห็นทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเป็นอยงง่างนั้นครับแล้วได้กรณีที่ว่าอย่างจริงๆไม่ได้เกิดกับตัวเองเกิดกับเพื่อน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 พอพอกลับเข้ามาแล้วเนี่ยมั น, ม, นมันไม่สามารถรักษาอาการปกติของตงัวเองได้มไม่ทราบมีคำแนะนำอะไรห ร, ร, รือเปล่า<ม>เป็นบ้าอะไรเงี้ยไมเรื่องนี้ไม่ทราบครับ<ม>ก็กราบเรียนขอคําแนะนําครับตัวงพ่อไม่เจอไม่รู้ดูไม่ออกนะครับไม่รู้ว่าใครครับกรบขอบคุณครับครับใครต่ อ, อกราบนมัสการหลวงพ่อคะอ่ะอืม หนูสังเกตสภาพวิจิตของหนูเมื่อวานที่ฟังเทศหลวงพ่อกับวันนี้นะคะมันจะแตกต่างกันเมื่อวานนี้หนูจะรู้สึกมันเบาสบายแล้วก็รู้ทันที่มันออกไปเร็วค่ะแต่วันนี้เหมือนกับมันตั้งใจจะดีเปล่าหนูไม่ทราบก็หนูไล้วันนี้ไปจับฉลากมาเมื่อมันมันจะแน่นก่อนแน่นก่อนเพราะตั้งใจว่าวันนี้อยากจะส่งกันบ้านหลวงพ่อค่ะน่นมันเป็นเพราะเรื่องนั้นนะ ที่หนูฝึกอยู่นัใช้ได้แล้วทํามาดีแล้วคันก็แยกว่าเป็นอะไกั่นูว่ากำลังจะส่งพอดีหนูต้องส่งแล้วนะคะเห็นไะอ๋อมีอันหนึ่งค่ะพี่สาวหนูที่แซนดิเอโกฝากมากราบนมัสการหลวงพ่ออหลวงพ่อมาดูใครพี่หนูน้องหนูกราบนมัสการหลวงพ่อครับอ่ผมมีอยู่ปฏิบัติอยู่กรั้งหนึ่งนั่งนั่งอยู่เนี่ย ไปแล้วมันไปรับรู้ถึงสภาวะพวกคลื่นแสงพวกแรงสัง่นสะเทือนพวกเนี้ย อ, อของพวกนี้นี่ไม่ทราบว่ามันมีสาหายไหมครับที่การที่ไปรู้มันเห็นการไม่ว่าไม่ว่าจะรู้อะไรนะให้กลับเข้ามารู้ทันจิตตนเองเช่นเราไปรู้คลื่นต่างๆนะอย่าว่าแต่คลื่นเนี่ย<ม>เห็น<ม>เป็นภาพอะไรแปลกๆออกมาเลยเห็นผีเห็นเทวดาเห็นอดีตเห็นอนานคตเห็นมาราจิตคนอื่นเลยนะเสร็จแล้วกลับมารู้ทันจิตตนเองครับยินดีก็รู้ยินร้ายก็รู้ สุขก็รู้ทุกก็รู้กลัวก็รู้สงสัยก็รู้กับเข้ามาที่จิตครัเมื่อวานที่ผมผมฟังผลว่าเทสานะฮะธรร ม, มาดาเนี่ยดูลมหายใจอยู่อืพอไปสักพักนึงมันจะเป็นกลายเป็นแสงอจะเป็นเหมือนเหมือนคล้ายกับหมอกอะไรสักอย่างเป็นแสงมาดูไปก็ดูอยู่มันเห็นการเกิดดับของมันอยู่แต่เมื่อวานเนี่ยไมดูเนี่ยไม่ให้ถลํมลงไปดูเห็นมันเกิดดับเพราะ <c oughs> เราไม่ไม่ไหลเข้าไปด้วยนะครับ ถ้าถลำเออกไปพ่ไม่ถูกระดับจิตไม่ตั้งมันเมื่อวานนี้มันมัน ม, มาเก็ตเด็ดที่ว่าหลวงพ่อพูดถึงว่าระหว่างที่ดูลมหายใจที่มันเป็นแสงอยู่เนี่ยเมื่อความคิดมันผุดขึ้นมาแล้วนี่ให้ไปเรเลึกดูตรงนั้นนี่ผมใช้เป็นกระรบาดได้ไหมครับได้คือไม่ใช่ความคิดผุดอนะนะหมายถึงว่าไม่ว่าใะไรแปลปลอมเข้ามาให้แค่รู้แค่เห็นไม่ให้ไหลาตามมันไปเวลาเรารู้ลมหายใจไม่ให้จิตไหลไปอยู่ที่ลม เวลารู้แสงไม่ให้จิตไหลเขาไปอยู่กับแสงนะเวลามีอะไรเกิดขึ้นแค่รู้แค่เห็นไม่ให้ไหลตามมันไปพวกเราพวกที่หัดดูจิตดูใจต้องระวังไว้เรื่องนะเพราะว่าอยู่ห่างหลวงพ่อมันจะเกิดภาว่าอย่างหนึ่งขึ้นมาคือพอเราเห็นจิตมันเกิดดับได้แล้วเนี้ยนี่ว่าเราเริ่มเจอวิปัสสนานะทุกคนจะต้องเจอวิ ป, ปัสสนะุปเกเรตวิปัสสนุปกิเรตเนี้ยคนเก่งถึงจะเจอทํำวิปัสสนาได้แล้วเจอทุกคนไม่มีทางเลี่ยงเลย สําหรัพวกดูจิตในนี้ประสนูตัวแรกเลยนะที่เรียกว่าโอภาสมันจะเกิดมันเกิดจากเนี้ยจิตมันไม่ถึงฐานทีเดียวอย่างเราดูดูดูเราเห็นกิเลสมันผุดขึ้นมานะเราไปดูที่ตัวกิเลจิตมันถล่มไปจ้องกิเลนั้กกิเลนได้เคลื่อนหนีไปสมมติมันเคลื่อนหนีออกข้างนอกไปพอเคลื่อนหนีออกไปข้างนอกเนี่ยจิตเราก็ไหลออกไปอยู่ข้างหน้าเงี้ยแล้วมันกิเลตับไปจิตเราว่าอย่างเงี้ยเราไม่รู้ทันว่าตอนนี้ยจิตเคลื่อนออกจากฐานแล้วมันจะว่างสว่างอยู่เงี้ยเป็นปีๆเลยนะ แล้วไปลาพูดถึงการปฏิบัติที่แล้วมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบจิตใจมีความสุขสงบสบายกีบี้กีบีก็สบายอยู่แล้วนะเรียกว่าจิตมันไม่เข้าบ้านนะอย่างเนี้มันไม่เดินปัญญาจริงหรวงพ่อเคยเห็นนะตอนนั้นภาวนาก็พอ ร, รู้เรื่องแล้วลนะภาวนารรเสร็จแล้วเนี่ตอนนี้ทําไมไม่พัฒนาเลยนะมีแต่ความสุขนะที่เจอหลวงตามหาบัวเนี่ยตอนนั้นที่บ้านตากเนคนอย่างน้อย ขึ้นไปหาท่านได้ที่ท่านฉันข้าวอยู่ข้างบนศาลาไม้ขึ้นไปบอกท่านอาจารย์ครับผมขอโอกาสท่านห น, นึ่เดี๋ยววันเดี๋ยว่ันเรายังไม่ว่างอู่่าก็สั่งละทํโน้นทำนี่นะนากาลังจัดอาสนะเฉชันข้าวประสังงานเสร็จพอใจท่านทา ไ, ไหวเลยบอกว่าพราแค่ครูอาจารย์สอนให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตมาเรื่อยๆแต่ทำไมมันไม่พัฒนา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 แต่ว่าเราไม่ถนัดบริกรรมท่านถนัดบริกรรมท่านว่าบริกรรมดีที่สุดหลวงพ่อถนัดลงหาใจหลวพ่อก็ไม่บริกรรมนะกลับมาหายใจหายใจไม่กี่เดือนจิตเข้าบ้านาเมื่อท่านเขวัตัวเองเลยจิตไปส ว, าว่างอยู่ข้างนอกเป็นปีเลยเนี่ยพวกเราจะเจอนะจะเจอกันเป็นแบแบแบๆนั้นต่อไปรู้สึกยหลวงพ่อประมดไปไหนนัหน้านวลมีแต่ความสุขอย่างนี้ติดแล้วให้รู้เลยจิตไม่เข้าบ้านกลับมาดูกายไปเลย ถ้าดูเข้ามาที่จิตมันจะเด้งออกได้งอมานะให้ดูกายนะดูกายสภาพักหนึ่งพจิตมีแรงมันจะเข้ามาที่จิตได้อันนี้ฝากทั่วทั่วไปนะส่วนใหญ่จะติดกับตัวนี้เรียก<ม>ว่าวิปะสะดดัสสนูปเบหนึ่งเรียกว่าโอภาษ์การที่ยินหลวงพ่อเทศน ะ, ะว่าในขณะที่ดูลหมหายใจขณะที่มันเป็นแสงนะเนี่ยเห็นว่าย่อได้ขยายได้นะแต่ของผมที่บังคั้ไม่ได้เพราะส่วหนมันจะต่ำลงมาเรื่อยๆ ไปมีดูอยู่ครั้งหนึ่งมันระเบิดตัวออกอมันเป็นปูแตกเออถ้าอย่างนั้นดีดูมันเกิดดับไปเลยดีเรียปัญญาครับตรงที่เล่นอย่างนี้ไล่นสมถะย่อยได้ขยายได้มันมั น, มนอิ่มอกอิ่ใจนะเกิดปีติรตรงที่จิตเข้าไปจับที่แสงเงลยว่ามันตกจิตเคล้าอยู่กับแสงแลยวิจา ร, ร, รมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งอยู่กับแสงนีได้ฌานที่หนึ่ง ต่มาสติระลึกรู้ว่าจิตมันเคลื่อนไปที่แสงจิตท่นพวนกระแสกลับเข้ามาตั้งมั่นขึ้นมาตัดที่ตกที่จานไปมีปีติมีควาสุขตั้งมั่นอยู่ตัวเนี้ยจิตถึงฐานนะอาจจะถึงฐานในั้นที่สองนะฌานที่หนึ่งไม่ถึงฐานมันจะไปอยู่ที่ที่แสงแต่ตรงฌานเนี้ยบางกรรมฐานเนี้ยไม่มีนิมิตนะไม่มีปฏิภาคนิมิตถ้าเป็นกรรมฐานมีปฏิภาคนิมิตจะมาเป็นแสง กรรมฐานไม่มีปฏิภาคอย่างแต่เมตตาไม่มีปฏิภาคเนีทำดิไหมกับนวัสการหลวงพ่อปาโมทดครับผมก็อยากจะถามว่าการที่ผมดูลมหายใจในขณะนี้ครับก็ไม่ทราบว่าดูให้ลงพ่อดูซิไปดูลมหายใจให้ดูซิอย่างนี้จ้องลมหายใจไปเพียงมันแรงไป ปกติตอนไม้ปฏิบัติเนหายใจไหมหายใจครับตื่นนะหายใจแล้วตอนทอ น, นึกถึงปฏิบัติก็แค่เห็นมันหายใจต่อไปไม่ไม่เป็นจ้องไหมอย่างในี้ใจจะเครียดไหมใจจะเน้นๆสงสัยทราบไหมความสงสัยผุดขึ้นมารู้ทนันเพรว่าสงสัยแล้วนะอะไรๆผุดขึ้น ม, มันจะผุดขึ้นจากกลาง อ, อกนี่ผุดอะไรผุดขึ้นเรารู้ว่าอะไรผุดมาจิตนี้ไปคิดไหมตอนนี้ ไม่คิดนะ <c oughs> นะนนนนนคิดอยู่บ้านเน่ดูตาเราขนาดนี้ตะตะกี้จิตเหมือนกันไหมไม่เหมือนตรงนี้ดีกว่าตะกี้นะรู้สึกไหมมันโปร่งมันโล่งมันสบายกว่าตรงที่เราไปบังคับมันนะจะเน่นๆไม่ถูกหรอกอย่ไาไปบังคับมันแค่รู้สึกมันสบายบาๆนะใจจะโล่งสว่างขึ้น เห็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วส่งเชี่ยวนอกแล้วอย่างผมเนี่ยต้องดูดูกายหรือ ว, ว่าดูใจเป็นคนช่างคิดนะก็ดูจิตไปดูกายด้วยก็ได้มันเห็นเองมันเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตมันไม่มีอเอาสายไหนแล้วก็อย่างในกรณีที่ผมแบบปฏิบัติสมาธิครับก็นั่งสมาธิไปแล้วรู้สึกกับสั่นๆยังไง ก็ให้รู้ว่าสั่นให้รู้สันให้รู้ทันจิตนะสั่นแล้วจิตมันสงสัยว่าอะไรนะรู้ว่าจิตสงสัยสั่นแล้วว่ารู้ท่านจะดีแล้วดีใจแล้วรู้ว่าดีใจสั่นแล้วก็รู้ทันจิตครับแค่นี้ครับวันนี้เน้นั่งนั่งสมาธิเยอะหนยนะพี่ส่งกันบ้านนหลายคนเลยกรบมมาสการหลวงพ่อครับส่งกันบ้านท่านแรกค่ะ ก็จากการเจริญสติปัฏฐานสี่นะคะแล้วก็ปฏิบัติทมตามจิจวิตยประจาวันที่การทำงานด้วยครับก็เห็นความรู้สึกของตัวเองที่มีผัสสะอยู่นะครับเวลากระทบแล้วก็รู้แค่สัญญากับรู้เวทนาค่ะรู้ความรู้สึกก่อนก็รู้สพอรู้สัญญาแล้วใช้ปัญญาตัดออกไปค่ะโดยที่ว่าเราเจริญสติ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 เมืต่ตอนเราแข็งแข็งแน่นแมันสบายเฉยๆค่ะเพราะว่ารู้ว่ามันเกิดมันมันเหตุปัจจัยอะคะ่ะเอออย่าให้คิดนำนะไม่ได้บางอย่างก็คิดนำแต่บางอย่างก็ไม่ไ ค, คิดนำอย <นำ S 1> ่นานะไม่เป็นไม่ปรัชนะอันนี้ใช่เป็นสมถ ะ, ะถ้าคิดนำนะไม่เป็นมสมถะแต่ถ้าให้คิดนำเนี่ยเห็นสภาวะมันมาแล้วก็ไปมันเป็นเองอี่างนั้นถึงจะเป็นไม่ปรัชนา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 จะเลย ใ, ใ, ใ, ใ, ให้รู้สภาวะอย่างที่เขาเป็นนะอย่างสช่น ค, ค, ความอยากเกิดขึ้นรู้ทันความอยากดับไปแล้วตอนนี้เหลือเหตุผลแนละตรงที่เราใช้เหตุผลอ้ น, นี้ควรพูดนี้ไม่ควรพูดตรงนี้ไม่ใช่ปฏิบัติแล้วไม่ใช่วิปัสนางานวิปัสนาเสร็จตรงที่จิตเป็นอิสระขึ้นมาไม่มไมหลาตามกิเลสไปกิเลสครอบงำไม่ได้นะใจรู้เดือรู้ตัวแล้วตอนนี้คิดเอา ว่าอันนี้ควรทําอันนี้ไม่ควรทําอันนี้เป็นเรื่องการใช่เหตุผลนะส่วนหลังเนี่ยไม่ใช่วิปัสสนาในะส่วนแรกเป็นวิปัสนาตรงที่รู้ตามที่มันเป็นเป็นวิปัสสนาแต่รู้สึกว่าการที่เราไม่ค่อยทุกข์กับเรื่องมันนานสักครั้อันนี้มันมันมันก็สบายไงมันสบา ย, อยาเออมันสบายเป็นสมนถะเลยใช่ <laughs> ถ้าเราคิดต่ําไปนะไม่เป็นสมนถะเลย <laughs> แต่เวลา <laughs> เวลาการปฏิบัติทุกครั้งที่ ที่การทํางานหรืออะไรนะ<ง>มันจะเห็นสภาวะอยู่เรื่อยๆเห็นเองนะนั่นดีนั่นอย่างนั้นนะทูย่อมแล้วภาวนานดีนะขอพรบคุณค่ะแลก็อยากพอเสียหนีนะช่างช่างคิดเล ย, ชเลยใช่ค่ะเพราะว่าตอนสุดตอนใหม่ๆมันประสบการณ์เยอะกว่าจะเห็นตัวคิดกว่าจะเห็นขันห้ามตัวเองได้น่ะว่าจะทิ้งตัวนี้ได้น่ะเยอะมากเลยอยาให้คิดในครอบครัวค่ะตอนนั้นกว่าจะ ก็จะมาเห็นคือฟังธรรมะของอาจารย์ด้วยค่ะแล้วมันถึงจะเห็นตัวเองว่าโอนี่ที่ท่านบอกว่านิ่งไปนะตรงนี้ไปนะใช่จริงๆหมดเลยค่ะก็เลยรู้ตัวนี้ได้ก็เลยปล่อยออกละออกไปตามสีเดียมที่ท่านที่ฟังค่ะเราไม่โกใจผลสุดท้ายมาถึงขั้นสุดท้ายก็เห็นมันเป็นเกิดดับด้วยความปัญญาคิดออกมาอย่างนั้นเองเราไม่คิดเลยเห็นมันเกิดดับต่อหน้าต่อตาไม่ได้คิดเลยเห็นค่ะ เห็นความรู้สึกทุกอย่างที่บรรดาทั้นดีเห็นความรู้สึกมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนั้นดีถูกแล้วก็ท่านควรจะให้ระวังเลยอย่าไปคิดนํำแต่คิดเห็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะต้องเป็นอย่างนี้อะไรอยงนี้นั่นคือตัวรู้ใช่หรือเปล่าคระไอ้นั่นตัวคิดอย่าไปคิดนํานะแต่ความคิดน่ะปิดบังความจริงเพราะว่าเราอยากคิดนั้นอยากคิดตามกิเลสอยา่คิดถึ่ง้อ ก็กางําราคิดตามสนะําราแล้วคิดพอกิเลสอีกเลยขอบคุณครับคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หย่า ค, คิดถึงรู้เมื่อกีนี้ตื่นเต้นกันเลยสู้ต่ อ, ตอครับอยากจะถามคําถามนึงครับเวลาผมรู้ว่าผมโกรธผมรู้ว่าผมชอบผมรู้ว่าผมไม่ชอบแต่ว่าผมเห็นแต่ว่ามันมันไม่เห็นว่ามันไม่แยกกายแยกใจครับ ค่อยๆดูไปเนื้เห็นความชอบเกิดมาใจเราเป็นคนดูความชอบหายไปใจเราเป็นคนดูมจะค่อยเห็นเนืความชอบแต่ใจก็ควรลานกันนะความลภความโกรความหลงเกิดมาแล้วก็ดับไปใจเป็นคนดูอยู่ <S 1> <S 1> นานไปไมันจะรู้ว่าโลภโลกรน ล, ลงกับใจก็ควรลานกันต้องฝึกไปเรื่ย <S <S อยๆต้อเรลอดไปหลวงตามหาหลวงพสอนนักมาถ้าแยกธาตุแยกขันไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเดินปัญญาสอนขนา น, นี้นะ นักปฏิบัติรุ่นหลังเฮียฮ่างก็จะทำใจสงบไม่ไม่เข้าใจเรื่องแยกท่าแยกขันใช้ไม่ได้หรอกกาปฏิบัติจิตใจเป็นไงขณะ น, นี้เป็นสุขเป็นทุกข์นี่เฉยเฉยเฉยเฉยก็บังคับไว้เลยเฉยเยเองบังคับเอื้อตับถูกผ่านอย่างนี้ใช้ได้ก็ไม่มีหาอก ทานหลวงพ่อค่ะตอนนี้โยมตื่นเต้นค่ะมี่โยมฝึกก็ใช้ได้นะนีันก<อ> <ผม S 1> ็แยกเคยเริ่มทำสมาธิด้วยการนอนทำเพื่อที่จะให้นอนหลับแล้วก็มันจะมีช่วงที่มันดิ่งลงไปบางคอนคนนี้ค่ะเออก็ดีใจละโอ๊ะเดี๋ยวหลับลวค่ะ อ, อะไรเงี้ยค่ะบางครั้งก็เหมือนกระฟา่ๆเปรี้ยงลงมามตกใจมากมหรือบางทีก็มีแสง ตามแต๊เดียวกลัวรีบกลับอย่าตามไปค่ะแต่ตอนนี้หลังจากฟังหลวงพ่อก็คิดว่าอ๋อเราจะต้องทําแบบคือพยายามตั้งใจทําให้มันหลับแต่พอนั่งทํานี่ยมันปวดขาปวดขานั่งเก้าอี้นั่งเก้าอีกก้ก็หายใจไม่สะดวกก็เลยได้แต่นอนถ้าทําตอนกลางวันไม่หลับแต่ทําตอนกลางคืนหลับแต่ก็บอกวนก็ทำกลางวันให้เยอะหน่อยค่ะ ตามสติติน ะ, ะนอนปฏิบัติบรรลุธรรมเนี่ยมีเหมือนกันแต่น้อยแต่ว่าเอ่อขอ้อคือข้ออ้างอย่างเออเป็นถ้าเตรียมตายกันละกันเพราะหลวงพ่าบอกว่าก่อนจะตายเออให้คิดว่าอะไรคืนนี่อาจจะเป็นคืนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะปลอบใจตัวเองทีทำไมเราจะต้องตายท่านอนนะ จะได้หลับไปเลยไม่เจ็บปวดอะไรเงี้ยค่ะแล้วอีกอันหนึ่งคืออ้ถ้าหลวพอ่อขอหลวงพ่อช่วยแนะนาว่าควรจะทาที่ทาอยู่ก็ใช้ได้แล้วล่ะนะทาต่อไปทาถูกลแล้วสัเงเกตความเปลี่ยนของจิตหจิตในนี้เปลี่ยนไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วอดีดีดีี่ีดีดดีดีีดดีีดีดีดีดนดีดีดีดีดดีดีดดด แลขันมันก็เนี้ยเห็นมันยัดหน้าใจอยู่ตางหากไปแค่คนดูสุขทุกข์ดีชั่วอยู่ต่างหากใจไปแค่คนดูตื่ไปแล้วที่ฝันเนีคะฝันทุกคืนเลยค่ะไม่มีวันหยุดเลยค่ะถูกแล้วล่ะถ้าจิตมันนอนนิดเดียวพอมันนอนพอแล้วมันจะขึ้นมาคิดแต่คิดตอนหลับเราเรียกว่าฝันแต่มันชอบฝันแบบเป็นพอแล้วมันก็มักจะเกิดขึ้นแล้วก็จะไปจําสับว่าเอ๊ะ นในความจริงหรือว่าในฝันอะไรเงี้ยอันนี้ต้องปรึกษาหมอแล้วเดี๋ยวสามสนเอ่ when I practice I'm constantly struggling with having my thinking going off somewhere I was wondering as a stable observer are you not supposed to interrupt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 ไม่เคยทำเลยวันคิดไปคิดเรื่อยให้มันฉุดนะแต่พอคิดแล้วเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เกิดโลภโกรธหรอกอะไรรู้ทันที่ความรู้สึกปล่อยให้จิตคิดพอมีความรู้สึกแล้วรู้ทันความรู้สึก Know that happiness comes up, or if unhappiness comes up, know that t a d s come up. Whatever emotion comes up or feeling comes up as a result of the thinking, then come back to the h e a r n s t a n แค่ e ู h นะไม่ไปแทรกแซงนะสุขทุกข์ดีชั่วก็แค่เห็นไม่ต้องไปแทรกแซงนะ So don't interfere with whatever feeling appears in the mind. Just know that it's there. Yeah, don't try to fight it. y a n g h a h e y ไม่คล้อยตามไม่ต่อต้านจิตไม่ถึงคานเจษไสอนจิตมันไม่ถึงคาน so he says that the mind is not the state o observing it เจษไปสอนเราเดี๋ยให้ไลเซนเจษสอนขอของแข่นิดหนึ่งได้ั้ยคะมื่กี้บอกขอเป็นคนสุดท้าย คือขอหนูก็คือฝึกให้ตั้งมั่นเด็ดเดี่ยวมากขึ้นอย่างอืงอ่อต้องแก้ไขอะไรไหมคะต้อาฝึกไปหนะ้ะค่อยๆพัฒนาไปีตอนเนี้ใจมันไม่เข้มแข็งพอค่ะแต่แต่แอตอนเมื่อกี้แต่ตอนนี้ก็ละอารมณ์ไปแล้วก็ละแล้วงั้นแปลว่าที่หนูดูจิตหนูดูถูกใช่ไหมคะหนูเห็นกิเลสที่เกิดบ่อยไหมบ่อยค่ะเออถ้าเห็นกิเลสได้นะเห็นไม่กิเลสมาเองกิเลสไปเองเออเห็นอย่างนั้นใช้ได้ ค่ะขอบพระคุณมากค่ะเวลาหลงไปคิดรู้ไหมรู้ค่ะปล่อยค่ะแล้วก็เหม่อไปเลยโวลานานอยานะไม่ดีแต่ก็รู้ว่าเหมือก็จะดึงกลับมาแต่ก็เห็นชัดรู้ว่าเหมือพอแล้วไม่ต้องดึงคืนมาติดเหมือติดสอกอย่างนั้นแล้วเนี่ยปัญหาใช่ค่ะมันทําให้อ่อนแออ๋อค่ะคนไม่เข้มแข็งเพราะว่ามันติดสอกนั่นแหละค่ะติดกว่าทุก ผมจะขอกาดนำพวกเราทุกคนที่นี่นะครับขอเข้ามาหลวงพ่อนะครับแล้วจากนั้นเปิดโอกาสให้หลวงให้หลวงพ่อได้พักผ่อนนะครับยวเราตั้งใจตั้งนมัสกอนกันนะครับนโมทัสสะจะปะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะจักขวัติสะปะขวโตอระหะ สัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะะทธโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะับคเทเรปมาเทนะเทเรมาเทนะทวารตเยนะกตังวารเตเนะกตังัพพังสัพพอปลาทังัาทังรมถุโนพันเตธมถุโันเตเเรปมาเดนะ พวาระเตเยนักตังัพังัปปราทังมตุโนพันเตเคลเเรบมาเทนะพวารเตเยนักตังัพังอัปปราทังธมตุโนพันเตนะา เอวังโคตัวเวังโคตุโยจักุเพปปมมชิตวาปชาโซนปปะมชติโซมังโรกังะภ า, าเสตียภามตโตะจันติมายาสัปปังกตังกัมังกูสเลตพหิยติโสมังโรกังะภ า, าเสตียภามตโตะจันติมาอาภาิวาทาสิริสนิจังุทาปจัยโนจตตาโรธรรมาวัันปีอายุวันโนสุขังพะล มันในหลันเชี่ยเก็บอะไมีรูปะอับหลับผ่อนนะยะถาวะริวะาปุราปริปุเรนเตสาคาราเมวเมวอิโตทินังเปตานางุปกะปติอิชิตังปะทิตังตุมังคิดวเมวสมิฉตุสัพเกปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชนตุสัพโรโควินาสตุ มาเตพวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนาศิลิสเนจจางุทธาปัจจายโนจตารธตมาวัฒนติอายุวันโนสุขขังัะลงังให้พวกเราพานานะชีวิตจะได้มีความสุขความเจริญอาว น, นานลดีทั้งทางโลกทางธรรม